ถ้าเจริญพรถูกทุกท่านเดือนก่อนไม่ได้มางานสงกรานต์เดือนหน้าไม่มาใครจะฟังก็ตามไปนะไปทำหน้าที่หน้าที่ของพระพระพุทธเจ้าสั่งให้ออกไปประกาศธรรมะที่งดงาม ในเบื้องต้นในรรมกลางในที่สุดเพื่อประโยชน์ของคนจำนวนมากนี่เป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าท่านมอบหมายให้กับสาวกก็ อ, อาศัยพระสาวกนี่แหละประกาศธรรมะสืบทอดกันมารักษากันมาจนมาถึงรุ่นของพวกเราเวลาเป็นพันพันปีที่ผ่านมาเนี่ย เศรษฐกิจ ก, ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนสังคมเพไม่ค่อยเปลี่ยนสภาพอะไรต่ออะไรมันไม่ค่อยเปลี่ยนมันมาเปลี่ยนมากเอายุของพวกเรานี่เองเศรษฐกิจกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนศา ส, สนา<ม>ก็ต้องปรับวิธีการเผยแพร่จะ ไ, ไปเผยแพร่แบบเก่าไม่มีใครฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องด้วย ในความเป็นจริงแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของสดใหม่ทันสมัยเสมอนะไม่เคยล้าสมัยเลยแล้วเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ตลอดกาลไม่ใช่ประโยชน์ช่วงครั้งช่วงคราวแล้วเป็นความจริงตลอดกาลด้วยไม่เหมือนอย่างวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้วิทยาศาสตร์มันเป็นความจริงช่วงครั้งช่วงคราว ยกนี้ก็เชื่ออย่างนี้อีกยกหนึ่งก็เปลี่ยนพิสูจน์แล้วไม่จริงนละ้เปลี่ยนนะแต่ธรรมนะนั้นไม่เคยเปลี่ยนอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าสั่งสอนมาแล้วตืบทอดมาถึงวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนไม่ใช่เรื่องแปลกคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนๆขึ้นไปอีกนับไม่ท่วนก็สอนในเรื่องของอริยสัจเหมือนกันเองไม่ว่ากี่องค์กี่องค์ก็สอนนั่นเดียวกัน คือเป็นความจริงแท้ซึ่งไม่เปลี่ยนตามเวลาแม้ในอนาคตการจะมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกกี่พระองค์นะกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนพระองค์ก็ตามธรรมะที่สอนก็เป็นอันเดียวกันนี่เองแห้พวกเรานะไม่ต้องไปตื่นเต้นกับวิชาต่างโลกนะักหรอกวิชาต่างโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อ, อย่างยุคหนึ่งนะ สมัยจอมพลปอมีโฆษณาบอกว่ากินไข่วันละฟองไม่ต้องเรียกหามหมอให้กินไข่นะยุคนึงกินไข่ไม่ได้แนละ้วยุคนี้ก็มีการไปวิจัยอีกจะให้กินไข่อีกละวนี่ลงไม่รู้กินได้หรืกินไม่ได้ไม่เหมือนธรรมะธรรมะไม่เปลี่ยนนี่เราศึกษาสัจ ธ, ธรรมความจริงอันนี้แหละ ถ้าเราเรียนแล้วเราเข้าใจได้ตั้งแต่ในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ได้ก็บุญที่สุดละเพราะเราจะได้พ้นทุกข์ไปถ้ายัางไม่เข้าใจนะเราก็พยายามศึกษาเข้าไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปการปฏิบัติที่ว่ายากๆมันจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันเรียนเรื่องเดิมถ้าเคยเรียนมาแล้วนะมันเรียนอีกมันไม่ยากถ้าไม่เคยเรียนเลยก็ยาก อย่างบางคนทําไมมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าองค์นี้เรียนแล้วเขา้าบรรลุธรรมเร็วก็ได้ผลเร็วเพราะเขาเคยยากมาก่อนพวกเราก็เหมือนกันบางคนก็เข้าใจธรรมะได้เร็วบางคนก็เข้าใจธรรมะได้ช้าไม่เหมือนกันคนไหนเคยเรียนมาช่ำชองแล้วมันก็ง่ายคนไหนไม่เคยเรียนมันก็ยากอย่างคนถ้าเคยเรียนที่จะรักษาศีลมาก่อนตั้งแต่เด็กแต่เล็กไม่มีใครสอนเขาก็อยากรักษาศีล มีติดอยู่ในจิตใต้สำนึกเลยว่าจะต้องรักษาศีลอย่างเด็กบางคนนะให้ไปรังแกสัตว์อะไรนี่ไม่เอาในขณะที่เด็กบางคนถือหนังสติกทั้งวันเลยนะเพราะมันคุ้นเคยคนละแบบกันรืยคนไหนคุ้นเคยที่จะทำสมาธิมาแต่ก่อนไม่ชอบนั่งสมาธิตอนเด็กๆ ก, ก็นั่งสมาธิแล้วมีความสุขที่ได้นั่งสมาธิคนไหนที่จะเคยเจริญปัญญามาก่อน พอจิตสงบจิตตั้งมั่นถึงฐานขึ้นมาจริงๆธาตุขันมันแตกตัวออกไปเลยร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตเป็นคนละส่วนเลยรูปส่วนรูปนามส่วนนามเลยนมามธรรมก็ยังแตกออกไปได้อีกเป็นความสุขความทุกข์เรียกว่าเวทนาเป็นความจำได้หมายรู้เรียกว่าสัญญาเป็นความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าสังขาร แต่จิตก็เกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเป็นความอย่างรู้ความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตัวเดียวกับจิตนั่นแหละแต่ไม่ได้เรียกว่าจิตก็กลัวว่าจะเข้าใจว่ามีอันเดียวก็เลยเรียกว่าวิญญาณให้ดูเยอะๆไว้นะไม่ได้มีดวงเดียวจิตที่เกิดที่ตาก็ดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่หูก็ดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่ใจก็ดวงนึงอันนี้คนไหนที่เคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อน พอจิตตั้งมั่นถึงฐานเท่านั้นเองขันแยกเลยนี่บางคนไม่เคยเลยจะต้องมาฝึกรักษาศีลก่อนจะต้องมาฝึกทําใจให้สงบทําใจให้ตั้งมั่นไม่เคยสงบเลยไม่เคยตั้งมั่นเลยต้องฝึกทั้งนั้นเลยกว่าจะฝึกให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นได้ใช้เวลาไปพ่นชีวิตแล้วแล้วจิตก็ไม่คุ้นเคยกับการเจริญปัญญาเพราะจิตตั้งมั่นแล้วขันมันไม่แยกต้องมาหาทางแยกขันอีก เช่นพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วต้องมาคิดพิจารณาว่าร่างกายนะเป็นส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนรู้ร่างกายเหมือนเปลือกเหมือนถ้าเป็นคูหาให้จิตอาศัยอยู่จิตมันอาศัยอยู่ในร่างกายนี้แหละร่างกายเคลื่อนไหวได้เพราะจิตมันสั่งอะไรเนี้ยครๆดูาๆกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตคนละอันเนี่ต้องมาหากต้องมาช่วยมันนั้นแต่ละคนเนะียอินทรีย์ไม่เท่ากันนะ แต่หน้าที่ของเราต้องเรียนให้เต็มที่ถ้าเราเรียนได้เต็มที่นะแต่ชาตินี้เราได้แค่นี้ก็อย่าเสียใจเราได้ใช้ชีวิตในชีวิตนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วคือได้พยายามศึกษาปฏิบัติให้เต็มที่แล้วส่วนจะได้มากได้ผลหรือเปล่านะั้นไม่ใช่เรื่องของเราแล้วมันอยู่ที่ว่าจิตเรามีบุญบา ร, รมีมากแค่ไหนถ้ามากพอมันก็ได้ไม่มากพอมันก็ได้นิสัยเอาไว้นิสัยคือความเคยชินที่จะรักษาศีล จะฝึกให้จิตสงบจะฝึกให้จิตตั้งมั่นจะแยกธาตุแยกขันธ์เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์ของกายของใจให้เกิดปัญญาเนะนี่ยถ้าเราฝึกซอมเมาไว้ชำนานนะในาศาสมารพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เราทำให้สำเร็จไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าต่อไปนะมันแยกง่ายเลยเพราะว่ามันเคยทำมาแล้วอะไรอะไรที่ว่ายากนมะันยากเพราะไม่เคยทา ถ้าเคยทําแล้วไม่ยากเหมือนอย่างหัดขับรถยนต์เนหะ็นหัดใหม่ๆยากนะรู้สึกเดินง่ายกว่าอีก ข, ขับรถยนต์เป็นมันง่ายกว่าเดินอย่างเงี้ยทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะถ้าเคยรู้จักซะแล้วนะเคยปฏิบัติมาแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายเพรางั้นพวกเราจะต้องมาสะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกในด้านการปฏิบัติเอาไว้ให้มากที่สุดเลยเท่าที่จะมากได้ถ้าบุญบา ร, รมีเราพอเราก็จะได้มากผลนิพพานในชีวิตนี้แหละ ถ้าชีวิตนี้ยังไม่ได้ชีวิตถัดๆไปก็ได้นะพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้พุทธเจ้าต่อไปก็ทำได้วัตตะมันก็วนเวียนอยู่ตลอดนะกุศลที่สะสมไว้ก็เป็นวิบากเก็บเอาไว้อกุศลที่สะสมไว้ก็เป็นวิบากเก็บเอาไว้เป็นความเคยชินความเคยชินที่จะสร้างคุณงามความดีเรียกบารมีความเคยชินที่จะทำชั่วเรียกอนุสัยเป็นความเคยชินของจิตทั้งสิ้นเ แั้นพวกเราพยายามมาฝึกนะการปฏิบัติจริงๆไม่ยากนะไม่ยากอะไรเลยเบื้องต้นตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนตัวนี้จําเป็นมากถ้าเราไม่มีศีลเลยเนี่ยจิตใจจะฟุ้งซ่านถ้ามีศีลจิตใจถึงจะสงบอย่างถ้าเราโกหกหลอกลวงนะริ้นปล้นหลอกลวงอะไรเนี่ยจิตใจจะฟุ้งซ่านถ้าเราคิดจะขโมยเขาคิดจะปล้นเขาคิดจะฆ่าเขาคิดจะเป็นชั้วับเขาอนะไรเนี่ยจิตใจมันฟุ้งซ่าน กินเหล้าเมายาจิตใจฟุง้งซ่านแล้วเราพยายามรักษาศีลรักษาศีลในเบื้องต้นนะตั้งใจรักษาตั้งใจงดเว้นการทําบาปอกุศลทางกายทางวา จ, จากิเลสมันยังมีกิเลสมันยังแรงแต่เรายังไม่ยอมเราจะไม่ยอมทําตามกิเลสนะเรียกว่าเราข่มใจของเราไว้ไม่ให้ยอมตามกิเลสการที่เราคอยข่มใจไม่ให้ทําตามกิเลสนี่แหละเรียกว่าเรามีศีลเรารักษาศีล งั้นถ้าเราบางคนแก่มากเลยนะเดินก็ไม่ไหวกระดุกระดิกถ้าไม่ได้แล้วบอกว่าไม่ได้เป็นชู่กใครอันนี้ไม่ได้เรียกว่ามีศีลมีศีลนี่หมายถึงมีโอกาสทําชั่วก็ไม่ทำํำต้องค่มใจเอาไว้ไม่ยอมทําตามกิเลสอันนี้ในเบื้องต้นในยุคที่กิเลสยังมีกําลังรุนแรงเนี่ยเราต้องสู้ด้วยศีลคือเราสู้กิเลสไม่ไหวเราก็ค่มใจของเราไม่ยอมให้ทําตามที่กิเลสบงการนะ เราดูไม่ใช่บงกันในเรื่องอะไรก็ในเรื่องของศีลห้านั่ น, นแหละที่เรารับศีลรับศีล น, นะคนไทยรับศีลปล่อยๆรับศีลอัตโนมัติแบบเคยรับก็รับไปเรื่อยๆนะไม่เหมือนฝรั่งนะฝรั่งเนี่ยถ้าเขายอมรับศีลเนี่ยคือเขายอมเปลี่ยนศาสนาเลยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญของเราไม่เห็นม่าสำคัญอะไรรับศีลเสร็จแล้วก็คุยคุยกันไปเดี๋ยวก็เจอป้าอีกแล้วก็รับใหม่ ถ้าเรามาตั้งใจนะตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาห้าอย่างนะในสีลห้าสีลห้าพอแล้วสำหรับการที่จะปฏิบัติให้ได้มากผลนิพพานในขั้นโสดาสกตาคาเนี่ยสีลห้าเหลือเฟือเลยพอไม่จาเป็นต้องสีน8สี่สิบอะไรหรอกข่มใจไม่ให้ทำตามกิเลสซึ่งมันมีกำลังแรงกล้านี่พอเราข่มใจจนชินนะใจเรา กิเลสมาแล้วก็ครอบงําใจเราไม่ได้นะกิเลสมันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันกาลังของกิเลสจะค่อยๆอ่ อ, อนลงนะใจจะค่อยๆสงบขึ้นงั้นเวลาที่เราถือศีลไปนานๆถือศีลไปบ่อยๆถือศีลเป็นนิดนะั่นเรียกว่านิดจะศีล น, นะถือศีลเป็นนิดนะแล้วทุกคราวที่เราคิดถึงว่าเราได้ถือศีลแล้วเนี่ยจิตใจเราจะมีความสุขมันจะอิ่ม อ, อกอิ่มใจนะว่าเราได้ถือศีล ถ้าเราคิดขึ้นมาชีวิตเราเต็มไปด้วยความชั่วร้ายจิตใจเราจะไม่สงบแต่ถ้าเราคิดขึ้นมาว่าโอ้ตลอดชีวิตนะตลอดปีหรือ3เดือนที่ผ่านมานี้เรารักษาศีลได้เข้มงวดเลยนะแค่คิดอย่างนี้มันก็เกิดความอิ่มอิ่มใจมีความสุขขึ้นทางใจพอมีความสุขทางใจเกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นใจจะไม่วอกแวกแล้วใจมีความสุขงั้นเรารักษาศีลเป็นบาตเป็นฐานนะใจจะได้มีสมาธิง่าย ถ้าใจิตใจเราทําผิดศีลจิตใจเราก็ฟุ้งซ่าน ง, ง่ายนะดังตั้งใจรักษาไว้ศีลห้าไม่ต้องให้บอกนะว่ามีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็ไปหาหนังสืออ่านเอานะก็น่าเป็นห่วงนะยุคเราคนพื้นฐานความรู้ธรรมน้อยมากเลยหลวงพ่อเคยดูรายการโทรทัศน์มียี่สิบคำถามอะไรนะั่นนะสมัย น, นั้นตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะก็าถามว่าใครเป็น บิดาของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนึกตอบพระเทวทัตเฉยเลยฟังแล้วโ้เศร้าใจนะเป็นพระบิดาของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะชื่อเทวทัตนอะไรนี่เหมือนเล อ, เอะเทอะนะไม่ได้ศึกษางัเราศึกษาบ้างนะอย่างน้อยรู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจสิ่งที่เราจะได้มานะก็คือใจเราจะสงบง่ายคนทุกวันนี้หาความสุขไม่ได้นะเพราะใจฟุง้งซ่าน ใจนะแสบสายดิ้นรนตลอดเวลาหาความสุขสักหน่อยหนึ่งก็หายากมากเลยแต่ถ้าเรามีศีลดีนะเราคิดถึงว่าที่ผ่านมาศีนเราไม่เคยดังพลอยนะใจเราจะสงบสงบง่ายๆเลยไม่ยากอะไรพอใจเราสงบใจเราสบายนะนิวรณ์กิเลสอย่างกลางเนี่ยมันครอบงําจิตไม่ได้นิวรณ์กิเลสอย่างกลางเช่นความฟุ้งซ่านฟได้แต่แก่ความฟุ้งซ่านนี่แหละตัวร้าย ฟุ้งซาง ส, าสเปสสปาไปนะเรียกว่าอุทัดจรจะฟุ้งไปในสิ่งที่ชอบใจเพลิดเพลิ น, นพอใจนะเรียกว่ากรรมฉันทะฟุ้งไปในสิ่งทึ่งไม่ชอบใจขัดเคืองใจเรียกว่าพยาบาทในะเนี้ยเป็นความฟุง้งฟุ้งมากๆก็เกิดลังเลสงสัยนะาอาศัยความฟุ้งนะั้นฟุ้งไปมากๆหมดเรีย่ยงหมดแรงก็ห ด, กดหูซ่ซึมไปเพราะฉะนั้นะนิวรณ์ห้าตัวนะเอาเข้าจริงใจมันฟุ้งนี่แหละ ถ้ามีสมาธิแล้วใจไม่ฟุ้งซ่านเะนี่ยนิวรณ์ก็ทํางานไม่ได้เวลเรามาฝึกจิตฝึกใจของเรารักษาศีลไว้ให้ดีนึกถึงสีขึ้นมาจิตก็สงบแนละ้วอันนี้เรียกว่าศีลานุสติหรือจะฝึกอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะหัดพุดโทโธไปหัดรู้ลมหายใจไปจิตเรารู้ลมหายใจไปอย่างมีความสุขพุโทโธไปอย่างมีความสุขจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตมีความสุขอยู่ในอารมันเดียวคืออยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจ พอจิตมันสงบนะมันจะสงบอยู่ในโรมมันเดียวได้สมาธิขึ้นมาเป็นสมาธิที่จิตสงบสงบก็คือไม่ฟุ้งซ่านนี่มันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่พวกเราต้องฝึกให้ได้ตัวนี้เป็นตัวที่แตกหักเลยว่าชาตินี้เราจะได้มรรคผลหรือไม่เป็นตัวที่แตกหักตัวแรกเลยถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดนี้นะชาตินี้ยังไม่ได้มรรคผลหรอกถ้าชาติหน้ายังไม่มีสมาธิชนิดนี้อีกชาติหน้าก็ยังไม่บรรลุมรรคผลหรอก สมาธิชนิดนี้ก็คือสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิชนิดนี้สําคัญมากนะแต่เป็นสมาธิที่อาภัพไม่ค่อยมีคนรู้จักนะสมัยก่อนครูบาอาจารย์มีมากนะอตอนที่ก่อนหลวงพ่อจะมาเนี่ยพามาถึงได้ยินเสียงหลวงปู่เลี้ยนเทศเนี่ยท่านก็สอนเรื่องจิตให้จิตตั้งมั่นให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละคือสมาธิชนิดที่จะใช้เดินปัญญา ใจิตใจต้องตั้งมั่นไม่ใช่แค่สงบเฉยๆใจิตใจสงบเฉยๆเนี่ยในศาสนาอื่นก็มีแต่มันไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาใจิตใจสงบแล้วมันก็สบายก็มีความสุขติดอยู่แค่นั้นเองเราต้องมาพัฒนาสมาธิชนิดที่สองให้ได้สมาธิชนิดที่สองเนี่ยเป็นความตั้งมั่นความตั้งมั่นตรงข้ามกับความที่จิตไหลไปจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปทางตา เคลื่อนไปทางหูเคลื่อนไปทางใจอย่างเคลื่อนทางใจคือเคลื่อนไปคิดการที่จิตเคลื่อนไปนั้นหลปูดูลเรียกว่าจิตออกนอกใครได้ยินไหมบอกจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธวิธีการปฏิบัติที่จะให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาก็คือเรารู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปจิตที่ส่งออก ทันทีที่สติระลึกได้ว่าจิตเคลื่อนไปจิตส่งออกไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติจิตที่เคลื่อนนั้นจะดับจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นแทนไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ตัวเนี้สําคัญบางคนจิตไม่เคลื่อนเลยนะแต่ว่าบังคับไว้เมื่อวันหรือวนันศืนก็มีพระมาส่งกันบ้านนะที่ส่วนสันติธรรมท่านก็ภาวนานท่านดีอยู่นะนะท่านก็ไปประคองจิตเอาไว้ ของจิตน่ยไม่เกาะเข้ามาในกายไม่เกาะเข้ามาในขันนะแต่ประคองนิ่งอยู่บอกท่านว่านี่ไม่ใช่หรอกนี่ไม่ใช่นี่เป็นพบพบหนึ่งพบที่ละเอียดเท่านั้นไม่ใช่มรรคอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นการปรุงแต่งสภาวะบางอย่างให้จิตลอยๆอยู่ไม่ให้จิตเกาะอารมณ์ยังใช้ไม่ได้จับใดที่ยังแต่งจิตอยู่นะไม่ใช่สมาธิที่แท้จริงนะเป็นการปรุงแต่งจิตเราต้องไม่ปรุงแต่งจิต ให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดไี่แหละรู้ทันจิตที่ไหลไปดูรู้ทันจิตที่ไหลไปฝังจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ปกตินั่นจิตจะไหลไปคิดมากที่สุดจะลืมตาจิตก็ไหลไปคิดจะหลับตาจิตก็ไหลไปคิดจะได้ยินเสียงจิตก็ไหลไปคิดจะไม่ได้ยินเสียงจิตก็ไหลไปคิดได้ให้เราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดบ่อยๆตัวนี้สําคัญมากนะพวกเราฝากให้ทําให้ได้นะถ้าทําไม่ได้แล้วก็เราไม่มีทางหรอกจะได้มากได้ผลนะ เพสมาธิของเราไม่มีสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาไม่มีเพราะเรามาฝึกให้ดีเบื้องต้นทําพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ทํากรรมฐานแล้วไม่ใช่เพื่อบังคับให้จิตไปสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนันนั้นหัดพุดโทโธไปหัดหายใจไปแล้วค่อยรู้ทันจิตพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือจิตไปเพ่งจิตจนนิ่งๆก็คอยรู้ทัน เวลาจิตจะไปเพ่งจิตก็เคลื่อนไปนะไปเคลื่อนแล้วไปเพ่งอะไรนิ่งๆอยู่อย่างนึงหรือเรารู้ลมหายใจเข้าออกเห็นร่างกายหายใจอยู่จิตนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันให้รู้ทันจิตหนึ่งๆคอยรู้ทันจิตบ่อยๆหายใจออกก็รู้ทันจิตหายใจเข้าก็รู้ทันจิตยืนเดินนั่งนอนก็รู้ทันจิตไปมีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจก็ค่อยรู้ทันจิตเรื่อยๆ ตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะบางคนบอกว่าไม่ชอบดูจิตสอนดูจิตไม่ถูกถ้าไม่ดูจิตจะเดินปัญญาไม่ได้เพราะก่อนของการเจริญปัญญาเนี่ยเราจะต้องฝึกเรื่องจิตให้ตั้งมั่นซะก่อนเฉะนั้นบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนถึงมีลําดับมีขั้นตอนมีศีลสิกิขามีจิตตะศิขาแล้วถึงจะถึงปัญญาสิกขาไม่เรียนเรื่องจิตจะไปเจริญปัญญาไม่ได้เราจะเอาจิตที่ไม่ถูกต้องไปเจริญปัญญาซึ่งจะทําให้สําเร็จ เช่นเราเอาจิตที่ติดสมาธิติดนิ่งไปเจริญปัญญามันจะเจริญไม่ได้ร่างกายมันก็นิ่งจิตใจมันก็นิ่งไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีไตรลักษ์ให้ดูหรือเราเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้าจิตระวิเกาะนิ่งอยู่ที่เท้าโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่เท้าจิตนิ่งอยู่ในอาร ม, มันเดียวไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะแต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นเป็นคนดูมันจะรู้สึกเลยร่างกายทั้งตัวนี่แหละ ร่างกายทั้งตัวนี้แหละร่างกายที่กําลังหายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ไปอยู่ที่ลมหายใจเท่านะมันรู้สึกอยู่ทั้งตัวเลยรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เลยเห็นในร่างกายที่หายใจออกนะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายหายใจออกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ มันก็จะเห็นในร่างกายยืนอยู่ช่วคราวแล้วก็หายแปลกลายเป็นร่างกายนั่งนี่ร่างกายนั่งอยู่ช่วคราวแล้วก็เป็นร่างกายนอนหรือร่างกายเดินอยู่นะเดินไม่ดีกลายเป็นร่างกายนอนก็มีข้ามขั้นไม่ยืนก่อนไม่นั่งก่อนลงนอนเลยนะแบบล้มกลางอากาศอะไรงี้เนี่เราคอยรู้ไปเราจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุนะเป็นก้อนธาตุเนี่ยขาให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ให้ได้เท่านั้นเอง แต่ถ้าจิตเราไม่เป็นผู้รู้นั่นจะไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งใจมันจะทื่อๆนิ่งๆปัญญามจะไม่เกิดการที่จะเห็นไตรลักษณ์นั้นเห็นไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้นะไม่เรียกว่าทํามีปัจสนากรรมฐานอยู่เราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้อันแรกเลยใจเราต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานใจที่ตั้งมั่นเนี่ยเกิดจากการฝึกเอา อยู่ๆมันไม่ตั้งหรอกยกเว้นแต่คนที่เคยฝึกมาทนชาติก่อนๆหนะลวงพ่อตอนเด็กๆเนะี่ตอนเด็กๆเล็กๆเลยนะเล่นอยู่หน้าบ้านบ้านเป็นตึกแถวอยู่อรา์จาัคนี่เองไฟมันไหม้ตึกแถวใกล้ๆห่างออกไปสี่ห้าหลังจําไม่ได้ละรายละเอียดขี่หลังจําตัวเลขไม่ไดนะ้แต่ไม่ไกลเห็นไฟไหม้น่ตกใจ พอลุกขึ้นวิ่งจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ข้างบ้าน 9, 1, 2, 3, 9, 3, ก้าวไปที่1เนี่ยขาดสตินะสอพอก้าวที่สามเนี่ยรู้สึกตัวพลึบขึ้นมาเลยเห็นจิตที่ตกใจไปเห็นจิตที่ตกใจนะความตกใจขาดสะบ้้นไปเลยจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเลยเดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟไหม้ไม่ตกใจเห็นแต่คนอื่นตกใจจิตเราไม่ตกใจจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ดูมีพระอีกองค์ท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนท่านเป็นวัยรุ่นยังไม่ได้บวช ไปงานลอยกระทงแล้วก็จุดพลุใกล้ๆท่านท่านไม่ทันสังเกตก็จุดเปรี่ยนขึ้นมาตกใจจิตตกใจเห็นเลยจิตมันไหววุบแล้วจิตก็ถอดตัวออกมาเป็นผู้รู้เลยอารมณ์ที่ตกใจเนี่ยเป็นอารมณ์ที่แรงที่สุดเพราะงั้นส่วนใหญ่ที่ปรากฏขึ้นมาตอนเราเด็กๆถ้าเราเคยทำไมตรีาชาติก่อนๆนะอารมณ์ที่เป็นโทสะเนี่ยอารมณ์ตะกูลตกใจอารมณ์กลัวอารมณ์อะไรเงี้ยจะเป็นอารมณ์ที่แรงมันจะเห็นง่ายที่สุดเลย พอเห็นปุ๊บสติะระลึกรู้ปั๊บเนี่ยจิตจะดีดตัวตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้อันตโนมัติไปอันนี้สําหรับคนที่เคยทำนะถ้าไม่เคยทำเราก็ฝึกของเราไปตามลําดับไปฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อนนะหัดพุดโทโธไปจิตไหลไปรู้ทันหัดหายใจไปจิตไหลไปรู้ทันการไหลนั้นไหลได้สองแบบอันหนึ่งไหลไปเพ่งจิตให้นิ่งหรือเพ่งอารมณ์ให้นิ่งอีกอันนึงไหลไปคิดนะแค่พุโทโธพุโทโธก็ไปเพ่งจิตจนนิ่ง รู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจรู้ท้องก็ไปเพ่งท้องรู้เท้าก็ไปเพ่งเทา้าอีกอย่างหนึงก็ไหลไปคิดนะพุโทโธแล้วจิตก็หนี้ไปคิดหายใจไปจิตก็หนี้ไปคิดดูท้องของยุบจิตก็หนี้ไปคิดให้รู้ทันจิตที่ไหลนะเราจะได้จิตตั้งมั่นไม่ได้จิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญปัญญาต่อมาดูกายทํางานมาดูใจทํางานเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจ ถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะไม่ได้เรียกว่าทำวิปัสสนากรรมฐานอยู่นะจะทําวิปัสสนากรรมฐานจเจริญปัญญาครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านไม่เรียกคำว่าวิปัสสนาท่านไม่พูดเรื่องสมถวิปัสสนาหรอกท่านพูดเรื่องทําสมาธิกัจเจริญปัญญาท่านจะใช้คําที่แตกต่างกันแต่ความหมายก็อันเดียวกันนั่นแหละงั้นถ้าเราจ ะ, จะเจริญปัญญานะอันแรกจิตต้องมีสมาธิชนิดตั้งมั่นเป็นคนดูเสีก่อน ถัดจากนั้นก็เอาจิตที่เป็นคนดูนี่แหละดูกายทํางานดูจิตทํางานเช่นจิตมันโลภขึ้นมาก็ดูรู้ทันจิตมันโลภขึ้นมาจิตเราเป็นคนดูความโลภเป็นของถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูความโลภเป็นของถูกรู้ถูกดูทันทีที่ระลึกได้ว่าความโลภเกิดขึ้นสติระลึกว่าความโลภเกิดขึ้นด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูความโลภจะดับทันทีเลยจะเกิดจิตชนิดใหม่คือจิตไม่โลภ มีจิตโลบพอมีสติรู้ทันมีจิตตั้งมั่นก็จะเกิดจิตไม่โลบจิตไม่โลบอยู่ชั่วคราวพอขาดสตินะมันก็เกิดจิตที่มีกิเลสดวงต่อไปอาจจะเป็นจิตโลบอย่างเดิมก็ได้จะเป็นโลบเรื่องอื่นก็ได้จะเป็นจิตโกรธก็ได้จะเป็นจิตหลงก็ได้นะแต่ว่าไม่ว่าจะจิตจะโกรธหรือจิตจะโลบนะต้องมีจิตหลงเป็นพื้นฐานไว้ก่อนต้องหลงถ้าไม่มีความหลงประกอบแล้วเราจะโลบไม่ได้เราจะโกรธไม่ได้ นะถ้ามีสติบริบูรณ์อยู่ไม่มีความหลงแล้วก็ไม่โลภ ไ, ไม่โกรธหรอกนั่นะเราคอยมีสติไว้คอยรู้ทันนะคอยหัดดูไปด้วยจิตเราเป็นคนดูแต่เดิมภาวนาไม่เป็นเวลาโกรธขึ้นมาเราไม่รู้ว่าจิตกําลังโกรธเราจะรู้แต่ว่าไอ้คนนี้ทําให้เราโกรธนี่จะไปดูของข้างนอกนะม้ามาเห่าเรานะเราโกรธขึ้นมาเราก็จะดูไอ้หมาตัวนี้มากาะควน มาหาเราทําท่าจะกัดเราด้วยอะไรเนี้ยจิตไม่จะดูออกนอกอย่างเนี้ยคนภาวนาไม่เป็นเลยมันจออกนอกนะพอมหาหัดภาวนาเข้าบ้างนะจะเริ่มเห็นเลยความกลัวกับจิตเป็นคนละอันกันนะเห็นหมามาแล้วมาวิ่งมาแล้วจิตเกิดความกลัวกนะ็จะเห็นเลยความกลัวอยู่ส่วนความกลัวจิตอยู่ส่วนจิตจะแยกกันเนะนี้ยค่อยฝึกไปนะปัญญามันจะค่อยเกิดขึ้นจะเห็นเลยความกลัวนะั้นเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามา ความกลัวไม่ใช่จิตความรอบความหลงความฟุ้งซ่านความโหดขูดีใจเสียใจสุขทุกทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปจิตเราเป็นคนดูสบายๆยอยู่แล้วตัวจิตที่เป็นคนดูเราก็ต้องระวังไม่ไปประคองเอาไว้บางคนหัดภาวนานะมีตัวผู้รู้ขึ้นมาแต่ไปประคองจิตเอาไว้มีตัวผู้รู้อยู่24ชั่วโมงเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เห็นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงยกเว้นจิต รู้สึกว่าจิตนิ่งจิตเที่ยงคิดว่าดีไม่ดีเลยนะครับใดที่ยังเห็นว่าจิตนิ่งจิตเที่ยงนะยังไม่มีปัญญาจริงต่อมาใดาเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหตลอดเวลาดวงหนึ่งเกิด 1, ขึ้นดวงหนึ่งดับรู้ว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ก็จะรู้เลยว่าโอ้จ <eller? S 2> ิตเองก็เป็นไตรลักษณ์จิตไม่ใช่ตัวตนถาวรเมืม่อไหร่เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวตนถาวรนะจะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นตัวตนถาวรแล แต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเราประคองจิตให้นิ่งไว้นะรู้ตัวอยู่จริงนะแต่ว่ารู้แบบประคองเอาไว้รักษาไว้จิตนิ่งๆทำให้ดูรักษาไว้อย่างนี้นะนิ่งๆอยู่ข้างในจะมีความแข็งแข็งถ้าดูไม่เป็นต้องให้โอเวอร์แอคชั่นเนี่ยแนิ่งๆอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะอย่างนี้ไม่ถูกตัวอื่นเป็นไตรลักษได้นะแต่อตัวนี้นิ่ง แต่พอเร่งรั้วการเพ่งให้แรงขึ้นนะตัวอื่นก็พลอยนิ่งไปด้วยร่างกายก็นิ่งนะอะไรๆก็นิ่งไปหมดเลยมองอะไรอยู่เนี่ยใจมองคนนะั้นมองไปมองมาไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่แสงสงว่างว่างๆนิ่งไปหมดเลยอย่างนี้ไม่มีใจรักให้ดูนะดังนั้นการที่เราจะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานต้องฝึกเป็นผู้รู้พอดีๆถ้าผู้รู้แรงไปนะประคองผู้รู้ไว้จนแน่นปึกป๊กๆเลยผู้รู้ไม่ขยับเลยอันนี้ตึงเกินไปใช้ไม่ได้ไม่เกิดปัญญา นั้นถึงมีตัวผู้รู้แล้วก็ต้องระวังนะมีตัวผู้รู้แล้วไม่ใช่ว่าเกิดปัญญาเสมอไปไม่ใช่ว่าจะเจริญปัญญาได้เสมอไปนะคนที่เคยเจริญปัญญาหรอกขันแยกออกมาจิตตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ได้ประคองจิตไว้จิตเองก็เกิดดับด้วยอย่างเนี้เจริญปัญญาจริงๆนะแต่ถ้าขันไม่แยกนะรู้ตัวอยู่แล้วก็ทืออยู่รู้ตัวอยู่แล้วก็ทืออยูอ่ขันไม่แยกเจริญปัญญาไม่ได้หรือขันแยกออกไปแล้ว จิตก็ยังทื่อๆอยู่จิตก็ยังนิ่งอยู่อย่างนี้ก็เจริญปัญญาไม่ได้นะมีหลายแบบนะค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปว่าแบบไหนถูกแบบไหนไม่ถูกอย่าพยายามทําสิ่งที่ถูกถ้าพยายามทําสิ่งที่ถูกจะผิดทันทีเพราะมันผิดตั้งแต่อยากทําแค่อยากทํามันก็ผิดแล้วนะนั้วเราเรียนรู้สิ่งที่ผิดไปด้วย อ, อันแรกฝึกให้มีจิตผู้รู้นะจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันได้ตัวรู้ พอได้ตัวรู้แล้วอย่าให้ตัวรู้อยู่เฉยๆต้องดูเห็นขันมันแยกออกไปกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตเวทนาแยกออกไปสัญญาสังขารแยกออกไปจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากแล้วตัวจิตเองก็เกิดดับได้ด้วยถ้าอย่างนี้เราก็สมบูรณ์แบบตัวรู้ของเราใช้ได้อย่างดีนะถ้ามีตัวรู้อยู่แล้วไม่เห็นอะไรเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงเลยนิ่งไปหมดเลยอันนี้เพ่งอย่างรุนแรงนะลืด มีตัวรู้อยู่นะมีทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ตัวรู้ตัวจิตเรานิ่งอยู่กับที่เลยอันนี้ก็ไม่ถูกนะไม่ถูกถ้าตราบใดยังเหลือตัวหนึ่งนิ่งคงที่อยู่ไม่ถูกหรอกต้องเห็นเลยทุกตัวนั้นเกิดแล้วดับไปทุกตัวเกิดแล้วดับไปตัวรู้เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นตัวคิดตัวคิดเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นตัวรู้ฝึกให้ได้อย่างนี้นะมันง่ายไม่ได้ยากอะไรหรอกโดยภาษามนุษย์เนี่ยถ่ายทอดกับเราฟังยากนะแต่ว่าการปฏิบัติจริงไม่ยากหรอก เรามาฝึกคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดแล้วคอยรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นแล้วก็ดูไปกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งอย่างขณะนี้บางคนร้อนนั่งพัดอยู่เราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนร่างกายมันเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดูนะบางคนไม่ได้พัดนั่งเกาเกาโน่ น, นเกาหนี้นะบางคนฟังหลวงพ่อไปแล้วก็พยายามแสดงให้เห็นว่าสนใจเรสปอนส์มีพยักหน้าอย่างเงี้ย พยายามนะยังดีนะไม่ตบมือด้วยอ๋อถูกใจถูกใจอะไรเงี้นะเนี่ยพยักหน้าตอนนี้หัวเราะรู้สึกไหมเห็นร่างกายหัวเราะใจเป็นคนดูเนี่ยนะค่อยๆฝึกนะก็ากายกับใจจะแยกกันเพราอกายกับใจแยกกันถึงจะไม่ได้มากผลนะข้็พิเศษแล้วละ่ะเวลาแก่ขึ้นมากายมันแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บขึ้นมากายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาจะตายกายมันตายไม่ใช่เราตายนะ อ๋อมันไม่ทุจรรทุรายเลยเวลาอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายนี่ขนาดไม่ได้มักได้ผลยังอัศจรรย์นขนาดนี้เลยนะค่อยฝึกหัดแยกไปงั้นถ้าเรามีตัวรู้แล้วเราแยกธาตุแยกขันได้เห็นธาตุขันแสดงใจรักได้นั่นแหละเรียกว่าเราจเจริญปัญญานะถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะันิ่งไปหมดเลยนะั่ใช้ไม่ได้เลยนะขันแยกออกไปแล้วแยกไม่หมดเหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่ตัวเดียวคือจิตนิ่งอยู่ตัวเดียวนะตัวอื่นเคลื่อนไหวก็ยังใช้ไม่ได้ถ้านะปล่อย เห็นจิตเองก็เกิดดับในที่สุดจะเห็นขันทั้งหมดเลยเกิดแล้วดับรูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับเมทนาคือความสุขทุกข์เกิดแล้วก็ดับสัญญาคือความจําได้หมายรู้เกิดแล้วก็ดับสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเกิดแล้วก็ดับจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาเกิดแล้วก็ดับทางหูเกิดแล้วก็ดับทางใจเกิดแล้วก็ดับถ้าเห็นจนท่องแท้นะว่าไม่มีอะไรที่อมตะถาวรเลยเราจะล้างสักกยัติฐิได้ เราจะล้างความเห็นผิดว่ามีสิ่งซึ่งเป็นตัวตนถาวรได้คําว่าอัตตาเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเซลล์จัดเซลจัดเนี่ยมันคือคําว่ามานะมีมานะมากเราไปใช้คําว่ามานะในทางดีแปลว่ามีความภาคเียดมากภาคเียดมากก็เรียกว่าอุตสาหะนะมานะเป็นชื่อของกิเลสเทียบเขาเทียบเรากูเก่งกูเก่งเนี่ยมีกูตัวใหญ่ขึ้นมาเรียกว่ามานะส่วนอัตตานะ่ยไม่มี สิ่งที่เรียกว่าอัตตาตานั่นคือสิ่งซึ่งเป็นอมตะจิตถ้าบางคนเห็นว่าจิตนี้เป็นอมตะนั่นแหละเห็นว่าจิตเป็นอัตตาถ้ายังเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอมตะเป็นอัตตาอยู่นะจะไม่ได้พระโสดาบันพระโสดาบันจะเห็นเลยว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตตากายของเราไม่ใช่อัตตาเพราะกายของเราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้เป็นอมตะ ความสุขความทุกข์ไม่ใช่อาตาัตตาเพราะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ได้เป็นอมตาะความจําเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะไม่ได้เป็นอมตาะก็ไม่ใช่อัตตาความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วดับไปนะไม่ได้เป็นอมตาะงั้นไม่ใช่อัตตาจิตเองเกิดดับทางทวารทั้ง6เดี๋ยวจิตไปรู้อารมณ์ทางตาแล้วก็ดับจิตไปรู้อารมณ์ทางหูแล้วดับจิตไปรู้อารมณ์ทางใจแล้วดับไม่มีสิ่งทึ่งเป็นอมตะ ดังนันจิตที่เขาเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาถ้าเราเห็นท่องแท้ในขัน5้าว่าเป็นอนัตตาไม่มีอัตตานะนี่แหละจะได้พระโสดาบันนะแต่ถ้ายังสงวนรักษาตัวผู้รู้เป็นอัตตาอยู่ตัวอื่นขันอื่นเป็นอนัตตาไปหมดแล้วเหลือผู้รู้เป็นอัตตาจิตเป็นอัตตาอยู่ตัวเดียวนะยังไม่ได้กระทั่งโสดาบันเพราะยังคิดว่ามีอัตตาจริงๆแล้วอัตตาไม่มีสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วดับทั้งสิน้นการที่เรามาเจริญปัญญาก็เพื่อมาเห็นความจริงตรงนี้แหละมาเรียนความจริงให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับทั้งสิน้นนะที่เรียกว่าเจริญปัญญาเจริญมิปัสสนานะมาเรียนเพื่อตรงนี้เองเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนะร่างกายที่หายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปร่างกายหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แจะดูอย่างนี้ไปด้วยเห็นแต่ทุกอย่างเกิ ด, ดนะแล้วดับเกิดแล้วดับนะแล้วันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงนะจิตจะเกิดจะได้มรรคได้ผลจิตได้มรรคได้ผลมันมรรคผลนะักเกิดเองไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดมรรคเกิดผลได้อริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นเองเมื่อเหตุปัจจัยนั้นเพียงพอศีล ส, สมาธิปัญญาของเราแก่รอบเพียงพอนะมีศีลอัตโนมัติมีสมาธิอัตโนมัติมีปัญญาอัตโนมั ต, ม ต, มติเห็นความจริงของธาตุของขันโดยไม่เจตนา จิตใจตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่โดยไม่ได้เจตนานไม่ได้ประคองไม่ได้รักษาไม่ได้แข็งไม่ได้เครียดนะสติก็อัตโนมัตนะิอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตรู้สึกไม่ได้เจตนารู้สึกเนี่เราฝึกจนกระทั่งคุณธนะทำความดีทั้งหลายนะั้นมันเป็นอัตโนมัติขึ้นมาถ้ามันเป็นอัตโนมัติเนะี่ยมันจะทํางานพร้อมๆกันไดนะ้เคยได้ยินคําว่ามักสมังขีไหมมักสมังขีครูบาอาจารย์แต่ก่อนชอบพูดนะ บางองค์ท่านก็เรียกว่ามรสมามังคีบางองค์ท่านก็เรียกมรสมามังคีมรสมามังคีหมายถึงว่าองค์ของมรคทั้ง8ดตัวนะมาประชุมพร้อมกันที่จิตในขณะเดียวกันมาทํางานตามหน้าที่ของแต่ละตัวแต่ละตัวนะพร้อมๆกันในขณะเดียวกันโดยไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาเราทําไม่ได้มันจะไม่รวมตัวเข้ามาเป็นอันเดียวกันกุศลทั้งหลายไม่รวมตัวไม่ไม่สามารถล้างกิเลสที่ละเอียดได้ ในเวลาที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลนะขณะที่เกิดอริยมรรคเนี่ยกุศลมันจะรวมตัวกันไปทําลายอาภูศลคล้ายๆพวกเยอะรวมพวกได้ก็ไปซัดอาภูศลตายเป็นแถบๆไปตายเป็นลําดับไปทําลายตัวแรกเลยทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนในขันหานี้ทํำลายความลังเลสงสัยในพระัลตนตรัยทําลายความไม่เข้าใจในเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรม อย่างพวกเรารู้สึกไหมในใจเราคอยคิดว่าทํำยังไงแล้วจะดีปฏิบัติยังไงจะถูกเนี่เรากําลังรู ป, ร, ปรูปคลำคลำอยู่ถ้าไม่รูปคลำไม่ศีลพระาตาปรามาตนะไม่ถือศีลบําเพ็ญทสด ง, งายนะไม่มีรักษาศีลห้าไว้นะมีจิตตั้งมัน่นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงกนะ็เท่านี้เองถ้าเกินนี้เราก็รูปรู ป, รปคลำครลำทั้งหมดแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมรรคนิพพานหรอกแต่เราชอบทํา อย่างบางคนคิดว่าใส่บาตรมากมอย่าบรรลุพระอรหันต์เร็วๆเกี่ยวอะไรกันใส่บาตรมากๆก็ดีก็ลดละความเห็นแก่ตัวถ้าบุญใดนะทําไปแล้วลดละความเห็นแก่ตัวมีปัญญาลดละความเห็นแก่ตัวได้เป็นบุญใหญ่ดีบุญบางอย่างทำแล้วสะสมความเห็นแก่ตัวนะอย่างเช่นเราจะไปทําใส่บาตรเราก็อยากได้โน่นได้นี่เราไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารอยากได้โน่นได้นี่อันนี้ทําเอาเข้าตัวนะ ถ้าทําลดลาความเห็นแก่ตัวก็ทําทไปเพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์ขอ ง, องศาสนาเพื่อช่วยสงเคราะหผู้อื่นอย่าเงี้ยไม่ได้ทำเอาตัวเป็นตัวตั้งนะอย่างเนี้เป็นกําลังที่จะช่วยลดลากิเลสนั้นถ้าถึงไปใส่บาตรนะแล้วขอให้ได้มากผลนิพพานขอไงก็ไม่ได้นะั่นแหละสีลพัตตาประมาทแต่ถ้าใส่บาตรแล้วรู้เลยละความเห็นแก่ตัวไปหลายอย่างเลยเริ่มต้นตั้งแต่ละความขี้เกียจอยากจะนอน น, น, นานๆต้องตื่นมาแต่เช้ามาหาข้าวใส่บาตรอย่า นะล่าความจรรยาลีล่าอะไรนี่เห็นเลยลดสู้กิเลสนะลดล่ากิเลสอย่างนี้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเขาประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญานะทําไปตามตามกันไปตามหวังว่าจะดีหวังว่าจะเฮงไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานหรอกเป็นสีลัทธตาปรามาสด้วยซ้ําไปนี่นเราบรรจมันจะค่อยล้างกิเลสเป็นลําดับลําดับไปนะหลังจากนั้นแล้วเราก็มาพาวนาของเราต่อไปดูกายทํางานใจดูใจทํางานไปนะ เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆสติปัญญามันก็แก่รอบขึ้นไปอีกมันจะเริ่มเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่เดิมเราเห็นแค่ว่ากายนี้ใจนี้เป็นของไม่เจ้ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดแล้วดับไปได้เป็นพระโสดาบันมาดูกายดูใจต่อไปอีกปัญญามันแก่กล้ามันไม่ได้เห็นแค่ว่ามันเกิดแล้วดับหรอกแต่มันเห็นความจริงลึกซึ้งกว่านั้นอีกมันเห็นว่าสิ่งที่เกิดนั่นคือทุกข์สิ่งที่ดับน นี่เป็นภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปนะงั้นเราภาวนาต่อไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็มีแต่ทุกข์สิ่งที่ดับไปก็มีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนี่อาศัยการเจริญวิปัสสนาของเรานี้แหละรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยถึงว่าหนึ่งปัญญามันมากขึ้นมากขึ้นปัญญาเบื้องต้นในขั้นพระโสดาบันนะั้นก็ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มตนทุกอย่างเกิดแล ปนะัญญาในขั้นสูงขึ้นไปที่จะเป็นพระอนาคาพระอราหันต์เนี่ยเห็นความจริงของขันธ์ลึกซึ้งนะไม่ใช่แค่ว่ามันเกิดแล้วดับหรอกเห็นเลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนะเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเห็นทุกข์ได้แจ่มแจ้งนะั่นแะถึงจะพ้นทุกข์เพราะเรากลัวทุกข์เกินไปนะอยากกลัวทุกข์งั้นความทุกข์เกิดขึ้นนะเรียนรู้มันเข้าไปเรียนรู้ด้วยใจเป็นกลางไม่ใช่เพื่อเอาชนะพวกเราเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นอยากเอาชนะทุกข์รู้สึกไหม เราไม่ได้รู้ทุกนะแต่เราจะเอาชนะทุกทําไม่อยากเอาชนะทุกากูจะได้สสบายกูจะได้สุขเห็นไหมทำไปแล้วกูตัวใหญ่กว่าเก่าอีกนั้นไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะละทุกนะแต่ภาวนาเพื่อจะรู้ทุกจะเห็นเลยกายนี้ทุกล้วนๆจิตนี้ทุกล้วนๆหายโง่แต่เดิมเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพอภาวนาแก่รอบนี่จะรู้เลยว่ามีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยสุขไม่มีหรอกสุขเป็นของหลอกๆอก งั้นหัดภาวนานะถ้าปัญญาแก่รอบเมื่อไหร่จะแจ้งในกองทุกข์ถ้าแจ้งในกองทุกข์เมื่อไหร่จิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปไม่เอาแล้วเอาทําไมตัวทุกทุกวันนี้เราอยากได้มากผลนิพพานบางคนก็บอกว่าอย่าไปยึดน้อนสิอย่าไปยึดนี่ไม่ยึดอะไรสักอย่างพูดแต่ปากได้นะว่าไม่ยึดแต่จิตมันยึดเพราะมันไม่เห็นทุกข์ถ้ามันเห็นทุกข์นะไม่ต้องพูดหรอกว่าอย่าไปยึดมันไม่ยึดเองนะ เพราะฉะนั้นอยู่ๆจะมาบอกว่าอย่าไปยึดสิ่งทั้งปวงไม่ยึดมั่นอะไนี่พูดเราเองมันไม่เห็นทุกข์มันมันยังไงมันก็ยึดนะเพราะันพวกเรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะตั้งแต่เบื้องต้นพระโสดาบันยันพระอรหันเนี่ยก็รู้แต่เรื่องรู้กายรู้ใจรู้ทุกข์รู้ธาตุรู้ขันเนรู้อินทรีย์รู้อายตนะแล้วแต่จะเรียกนะแล้วแต่จะแยกในแง่บุมไตรนะจริงๆก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั่นเองที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรา ดูลงไปทุกอย่างทุกอย่างนะแต่และอย่างแต่และอย่างเกิดแล้วดับไม่มีตัวตนถาวร น, นี่ปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองไอ้ตัวที่เกิดไอ้ตัวที่ตั้งอยู่ไอ้ตัวที่ดับไปนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของพิเศษนะถ้าเห็นได้อย่างนี้นะจะได้ธรรมะที่สูงขึ้นไปอีกพระสกทาคาอยังไม่เห็นเลยพระนาคาเนี่ยเริ่มเห็นนะัไก่ในทุกข์ล้นลวนจะได้พระละหันเนี่ยต้องเห็นนะว่าจิตเป็นทุกข์ล้นลวนนะเพราะว่า ภาวนามาเนี่ยมันจะเข้ามาที่จิตตัวตัวสุดท้ายเลยเพราะว่าถ้าถ้าไม่เห็นว่าจิตเป็นเรานะจะไม่เห็นว่าสิ่งใดเป็นเราอีกถ้าไม่ยึดจิตก็จะไม่ยึดสิ่งใดในโลกอีกจิตนี่เป็นตัวแตกหักเลยเพราะงั้นการปฏิบัตินะเบื้องต้นหัดรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเราจะได้สมาธิหจากนั้นใช้จิตที่มีสมาธิดูธาตุดูขันธ์ทำงานไป แล้วการปัญญามันจะเดินขึ้นเป็นลําดับลําดับจะเห็นว่ากระทั่งจิตเองก็เกิดดับไม่ใช่ตัวตนถาวรเจริญปัญญาต่อขึ้นไปอีกนะถึงวันหนึ่งเห็นว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ก็จะปล่อยวางจิตแล้วก็ไม่มีอะไรให้ปล่อยอีกแล้วนะตัวสุดท้ายก็มาแตกหักเรินที่จิตเองงั้นเริ่มต้นก็เริ่มที่จิตนะลงท้ายลงที่จิตแต่เริ่มต้นนั้นเริ่มมาที่จิตคือฝึกให้จิตมีสมาธิให้ตั้งมั่นแล้วเรียนรู้ความจริงของขันไป จนวันหนึ่งแจ้งว่าจิตเกิดแล้วก็ดับนะสิ่งที่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแล้วได้พระโสดา บ, บันไปภาวนาเป็นลําดับลําดับไปนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเรื่อยไปถ้าดูไม่ได้ก็ทําความสงบจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็กลับมาดูกายดูใจทํางานอีกนะขยันดูหน่อยอย่าเอาแต่สงบเยอะสงบนั้นทําพอให้จิตมีเรี่ยวมีแรงจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะมาฝึกให้จิตตั้งมั่น ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานแล้วเจริญปัญญาไปแล้วก็มันจะพัฒนาไปนะสุดท้ายมันจะเห็นแจ้งในกองทุกเห็นทุก์นั่นแหละเห็นธรรมเห็นทุกนั่นแหละจะแจ้งพระนิพพานถ้ายังไม่เห็นว่าขันเป็นทุกข์จริงก็อย่ายึดขันไม่ปล่อยขันยึดขันอยู่ไม่เห็นพระนิพพานหรอกตัวขันนั่นเป็นสังขารพระนิพพานเป็นวิสังขารเลยสังขารไปแต่ว่าจะเลยสังขารได้ไม่ใช่อยู่ๆก็นึกเอา เอาล้วไม่ยึดอะไรแล้วไม่ยึดอะไรแล้วพูดได้อย่างนั้นเป็นพาาระอรหันต์หมดโลกแล้วน ะ, นะมาเห็นเป็นเลยนะมีแต่หันซ้ายหันขวาแะ้วงั้นดูความจริงของธาตุของขันธ์ของใครของใจเรื่อยไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตเป็นกลางอย่าไปเกลียดทุกนะพระเจ้าไม่ได้สอนให้เกลียดทุกแต่สอนให้รู้ทุกรู้แจ้งแล้วกลายเป็นทุกถ้ารู้อย่างนี้ไม่ยึดกายถ้ารู้แจ้งว่าจิตเป็นตัวทุกก็จะไม่ยึดจิตนะ ที่ยึดอยู่เพราะเห็นว่ามันเป็นของดีถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์ไม่ยึดหรอกเพราะฉะนั้นมาเรียนความจริงนะมาเรียนความจริงไปด้วยไม่ยากหรอกสลวงพ่อเวลาสอนนะหลวงพ่อสอนแบบเทย่ามให้ถ้าสำนวนชาวโลกบอกเทกระเป๋าเราไม่มีกระเป๋ามีแต่ย่ามย่ามว่ามีผ้าอยู่ชิ้นหนึ่งผภาเอาสองชิ้นนะผ้าปูนั่งกับผ้ารับประเคนกัแปลงสีฟันมีแ นิเทหมายถึงเทรธรรมะให้หมดแล้วนะธรรมะตั้งแต่เบื้องต้นรักษาศรรีลฝึกสมาธิสองชนิดให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเพื่อได้สมาธิชนิดตั้งมั่นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็คือการเจริญปัญญาปัญญาเบื้องต้นก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับตัวตนถาวรไม่ดีไม่มี ปัญญาเบื้องปลายก็จะเห็นว่าสิ่งที่มีนั้นมีแต่ทุกข์สิ่งที่เกิดนั้นมีแต่ทุกข์เกิดสิ่งที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ตั้งอยู่สิ่งที่ดับมีแต่ทุกข์ที่ดับตัดจากนั้นไม่ต้องพูดไม่ต้องเทศแล้วอริยามรรคจะเกิดเองถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้อริยามรรคจะเกิดเองไม่จําเป็นต้องสอนอัง <n S 1> <again> เขตยนไหพระเจ้าไม่สอนลีลาแห่งการเกิดอริยามรรคหรอกไม่ไม่สอนว่าวิธีเข้าอริยามรรคทำอย่างนี้หน้าอะไรเงี้ยไม่ต้องสอนพอได้มรรคได้ผลแล้วนะ ถัดจากนั้นกลับมาอยู่กับโลกอย่างนี้เวลาต้องการทําความสงบนะก็จะเข้าสมาธิที่ใช้ผลผ ล, ลจิตจะเกิดผลละจิตเห็นนิพพานเป็นอารมณ์เกิดซ้ําๆๆไปพระอาจาก็ไม่ต้องสอนใช่ไหมเพราะว่าทําเป็นเองมันจะเป็นอัตโนมัตินะอย่างพระโสดาสกตาคาพระนาคาเนี่ยเวลาจะไปทรงพระนิพพา น, านพักอยู่กับพระนิพพานถ้าจะมาดูสังขาร ดูธาตุดูขันดูกายดูใจนี่แหละเจริญวิปั ส, สนาจเจริญซ้ําไปอย่างนั้นนะนะทั้งที่ผ่านแล้วจเจริญซ้ําไปนะจิตจะวางอย่างรวดเร็วเลยพอวางก้มก็ไปเจอพระนิพพานไปทรงผลและจิตอยู่แต่อย่างพระละหันเนี่ยท่านมานัสิการถึงพระนิพพานตรงๆเลยว่าเต็มนึกถึงพระนิพพานจิตก็ทรงพระนิพพานอยู่แล้วนะแล้วก็มีความสุขอยู่งั้นทั้งวันเลยส่งหยุดนานเท่าไหร่ก็ได้ตามใจแล้วแต่จะพักผ่อนเป็นที่พักผ่อนนะ กาเวลาทำสมาธิจะไม่ส่งจิตไปเข้าสมาธินะไม่จําเป็นต้องส่งจิตไปที่ไหนเลยไม่ต้องส่งไปปลอมโลกจะไปเข้าสมาธิเสียเวลาแล้วจิตจะมีความสุขนะเป็นเครื่องพักนี่ครูบาอาจารย์สอนมาครูบาอาจารย์สอนสืบทอดกันมาแล้วหลวงพ่อก็บอกต่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อมาเทศน์ที่นี่แหละ ทานหลวงพ่อหลวงพ่อพุธหลวงปู่เลี้ยนอะไรนะอยู่ที่นี่แหละแล้วท่านก็สั่งกันต่อๆมาว่าอย่าทิ้งศาลาลุงชินนะที่นี่เป็นที่สําคัญนะสําคัญยังไงพวกเรารู้หรือยังเป็นที่ที่เรามาเรียนกรรมฐานไงเป็นที่ที่เรามาเรียนกรรมฐานนี่แหละที่สําคัญะนะหายากนะในกรุงเทพอมีที่ที่ร่มเย็นสกิดที่ใช่ไหมมีแต่ที่ย่อกิเลสเยอะเลยที่ที่จะร่มเย็น มาเรียนกรรมฐ า, านได้มีไม่มากนะเพราะเราก็ช่วยกันรักษาที่นี่ไปนะอย่าให้มันหายไปะแต่ถ้ายัางอยู่ได้ก็มาเรียนธรรมะดูแลไว้นะเอาละวันนี้เท่านี้พอใครมีความสุขบ้างยกมือซิใครมีความสุขบ้า ง, าางเห็นไหมความสุขส่วนใหญ่ประกอบด้วยความหลงพุทสามารถแต่เช้าเลย จะมาฝังเทศใช่ไหมพอเทศจบแล้วดีใจให้รู้ทันนะรู้ทันเลยธรรมะนะศึกษาแล้วมีความสุขนะไม่ใช่ศึกษาลราเครียดยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขยิ่งฝึกใหม่ๆนะพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะมีความสุขมากเลยเพราะันมหัดกับหลวงพ่อใหม่ๆจะมีความสุขผุดขึ้นเรื่อยๆนะหลังๆพอถึงขั้นจเจริญปัญญามันจะหายไปมันจะเหลือแต่ทุกข์ แต่ทุกข์แล้วใจไม่เข้าไปคลุกนะใจอยู่ต่างหากขันมันทุกข์ใจไม่ทุกข์ด้วยอะ่ะแล้วค่อยฝึกไปด้วยนะเว่าวันนึงจะพบความสุขที่มหาศาลความสุขที่นึกไม่ถึงอนะวันนี้ไม่มีคนส่งกันบ้านดีจริงๆมีค่ะคนนี้ทําไมไปที่ไหนจับฉลากได้ทุกทีฮะทำพิธีการค่ะพระอาจารย์เนี่ยจับฉลากต่อกันมาได้ห้าหดล้วมั่งอ้าว่าไป ค่ะณปัจจุบันนี้นะคะก็ดูจิตกับดูกายสลับกันไปแต่มีความรู้สึกว่าตัวฟุ้งมากกว่าตัวรู้ตัวอะไรนะฟุ้งสัน้นโอ้ยธรรมดาตัวรู้นานๆมีทีมีก็อยู่ไม่นานตัวฟุ้งมันมีเยอะเพราะฉะั้นต้องช่วยมันต้องหัดพุดโทโธหัดหายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันถ้าฝึกอย่างนี้ชํานาญนะตัวฟุ้งก็จะสั้นลงสั้นลงนะ mm hmm. ถ้าไม่ฝึกนะฟุ้งทีหนึ่งได้แต่เช้ายันค่าได้ตัวรู้มีแบบเดียวก็ยมก็ทําวิธีนี้เดี๋ยที่ว่าอืมไม่รู้อะไรก็ช่างก็พุโทโธไว้ก่อนเออต้องอย่างนั้นสิทําอะไรไม่เป็นก็พุโทโธไว้อย่างนั้นถูกแล้วใช่ไหมคะถูกถูกออสองเดือนที่ผ่านมาเข้าใจว่าจิตไม่ค่อยถึงฐานเท่าไหร่ อ, อ่าไม่ไม่ถึงฐานรู้ว่าไม่ถึงฐานก็ดีแล้วนี่ก็ต้องฝึกในรูปแบบเพิ่มใช่ไหมคะ ฝึกไปเรื่อยๆไหนอยู่ในชีวิตธรรมดาก็ฝึกนะ mm hmm. พุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันนี่แหละเราไม่ได้ทำอะไรนี่พุโทโธพุโทโธไปจิตไหลไปแล้วรู้นะค่ะฝึกทั้งวันเลยค่ะแล้วก็มีอีกข้อนะคะก็คือว่าณปัจจุบันนี้คือโยมเนี่ยป่วยประมาณแปดถึงเก้าโรคอืมแล้วไงล่ะโยมก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรกับมันก็ดีแล้วเนี่ยร่างกายมันป่วยโยมไปเกี่ยวอะไร นะเป็นเรื่องของกายนั่นแหละพอเราแยกขันได้นะถึงบอกว่ามันสบายนะกายมันแก่เรื่องของกายกายมันเจ็บเรื่องของกายนะกายมันตายเรื่องของกายค่ะถ้ายอมคิดว่าร่างกายมันทุกโดยการคิดนำนี่ผิดไหมคะไม่ผิดนะเบื้องต้นคิดนำก่อนได้แต่เบื้องปลายต้องรู้สึกเอาออย่างเมื่อคืนนี้นะคะจะนอนก็นอนไม่ได้เพราะมันนั่นหน้าอกอก็เลยคิดในใจว่า อ่าถ้าคืนนี้ตายก็ชาติหน้าปฏิบัติต่อเออถ้าไม่ตายก็มาฟังพระอาจารย์เทเออต้องอย่างนั้นค่ะแล้วก็มีอันนะคะฮะยังไม่จบอีกเหรอสามข้อแล้วอนี้เดียวค่ะน้าว่ามาอโจมเห็นเวลาโยมจะโกรธ น, นะคะอืมไอตัวอะไรไม่รู้มันขึ้นมาที่กลางหน้าอกอะ่ะเออนั่นแหละมันเกิดกลางอกหแหละค่ะครูสอนหน้าก็เกิดกลางอกอครูสอนี่ยเกิดกลางอกมักรโเนี่ยเกิดขึ้นกลางอกแหละ เวลาโยมนั่งสมาธิในรูปแบบนะคะตัวฟุ้งเนี่ยมันจ่อหัวเหมือนกับปลาไหลจะจ่อจับกร<ล>ะุ้งอะบริกรรมไปนะแล้วก็รู้ทันจิตไปจะได้ไม่ฟุ้งยาวค่ะน ะ, ะให้คนอื่นบ้างค่ะนรัตการนะค่ะคนนี้ยอดเลยจับฉลักได้ทุกทีเลยสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งเก่งทางจับฉลักได้เป็นเอตทะคะจับจีไรได้ทุกทีเลยนะ ไม่มีใครสู้ได้ท่านสร้างบารมีมาแสนมหากรเพื่อจะจับฉลากเป็นเบอร์หนึ่งนี่แหละเราก็งงๆนะตำแหน่งนี้เอาไปทำอะไรวะอา้อาวว่ามามัเกาลหลวงพ่อเอ่อฟังซีดีมาเนี่ยประมาณสามสี่ปีแล้วนะคะแล้วก็รู้ดูจิตอยู่เนี่ยะไม่ทราบว่าไปดูจิตอยู่หรือว่าไปรู้เรื่องที่จิตคิดคะ เห็นร่าว่ากายกับจิตในโครานกันเห็นค่ะ อ, อ๋อเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์กับจิตในโคราชเห็นค่ะเห็นไหมกิเลสกับจิตก็โคราช น, นั่ น, หนแหละถูกแล้วถูกแล้วนะคะเอ อ, อเถ้าทําไม่ถูกไม่เห็นหรอกนักการขนหลงพ่ะครับกรรมนักสการนะครับผมก็มาเป็นครั้งที่สองแต่ก็ได้มาถามอ่าพระอาจารย์ครับ อได้ปฏิบัติมาน้อยครับยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้แต่ก็ตั้งใจเอาสติปัญสีเป็นกําลังหลักนะครับอืมอยากเจาะลึกว่าเวลาปฏบัติในรูปแบบในการนั่งสมาธิเนี่ยครับต้องอยู่ในสภาวะที่เงียบหรือว่ามีเสียงธรรมะหรือว่าจะลืมตาหรือว่าหลับตาอย่างไรที่จะเหมาะสมแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนะ่ะไปนั่งที่สังกัดมากๆนะจิตฟุง้งซ่าน นะบางคนนั่งรถเมย์นะจิตรวมเาวมเาร้วเมาวนะเสียงโครมครามขนาดนนะั้นท้อยในเพ่เดินในเพ่อะไรย่างเงี้ยจิตรวมดีแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูตัวเองหลวงพ่อนี่แหละคือนรถเมย์นะปฏิบัติเก่งมากเลยส่วนเวลาออกไปอยู่วัดป่าพอไปถึงวัดป่าน้ากาลรอบนี้ภาวนาให้หนักเลยวันแรกนะฟุ้งแหลกเลยให้ยเขาตุภาวนากันยังไงภาวนาไม่เป็นอนะ่ะ จิตมันฟุ้งเลยเพราะมันเคยกับที่ฟุ้งซ่านพอไปอยู่ที่สงบสงัดนะมันไม่ชินนะในป่านี่เสียงดังมากเลยอยู่ในกรุงเทพนะไม่ได้ยินเสียงเสียงดังในขนาดนี้ไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าไปอยู่ในป่าไม่มีเสียงอะไรนะโอ้เสียงมันสะเทือนเลื่อนๆเลยแค่มาแรงร้องกลางคืนนะเี่คนมาตะโกนกรอกหูเลยเพราะมันไม่ชินนะงั้นเราดูตัวเองนะลืมตาดีหรือหลับตาดีาอันไหนมีสติเอาวันนั้นแหละ ครับขอบคุณครับแต่ไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตานะพอจิตรวมแล้วตามันก็ปิดเองแหละขอส่งกันบ้านเจ็ดเดือนที่แล้วค่ะหลวงพ่อให้ไปหัดเดินเพราะตอนแรกหนูนั่งแล้วเหมือ น, น เ, เคริร์มพอเดินก็เริ่มจับทางถูกเลยจะถามว่าขณะขนาดที่เดินคือหนูจะรู้เหมือนกับ มันจะแว๊บๆอะค่ะคือเดินไปรู้ว่าเดินแล้วก็เห็นตัวเองหลงไปคิดม<อ>ันนตอนหลังนั่นแหละฝึกเยอะแล้วแหละขันมันถึงจะแยกได้นะ<ต>จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตอนนี้พยายามจะเดินมากขึ้นแต่ยังไม่ได้ทุกวันแต่ก็พยายามจะหาเวลาในชีวิตการทํางานหรือว่ า, <อ>าหลังเลิกงานก็จะพยายามคือกระทัะ่งเดินไปกินข้าวเดินไปเข้าห้องน้ําก็เก็บหมดเลยนะหลว่อก็ทำอางนนเอาหมดเลยเออต้องอย่างนั้นแหละ แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหลายเดือนที่แล้วเหนูลองหัดที่จะนั่งดูลมหายใจอีกครั้งหลังจากที่เคยบอกหลวงพ่อหนูทําไม่ได้แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปเดินแทนตอนนั้นอยู่ในรถตู้ค่ะหนูนั่งไปแล้วอาจจะไม่รู้ว่าพ่อไม่ได้ตั้งใจคือพอดูลมไปเรื่อยๆแล้วลมมันสั้นมันตอนแรกมันจะยาวใช่<ะ>แล้วมันสั้ น, นขึ้น แ, นแล้ว ม, มันสั้นขึ้นค่ะพอมันสั้นขึ้น ค่ะามันสว่างแต่พอสว่างแล้วหนูกลัวหนูก็เลยลืมตาก็ เ, เหรอจิตก็ถอนแล้วแต่ไม่ใช่ว่าหนูกลัวแล้วจิตถอนนะจิตถอนแล้วหนูถึงกลัว <Okay. S 1> ถ้าจิตทรงสมาธิาอยู่ไม่กลัวหรอกค่ะ <Okay. S 1> อย่างเวลาเราเห็นผีนะ่ะ <Okay. S 1> ผีมาเคี้ยวงงมาเลยผีตัวนี้น่าเกลียดผีตัวนี้น่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ในสมาธิ parts, เราไม่กลัวหรอกอ <Okay. S 1> แต่ตอนที่เราอยู่อย่างเนี้ยนะอยู่เรากลัวเพราใจเราฟุ้งซ่าน อย่างนี้หลวงพ่อว่าหนูจะลองหัดกลับไปนั่งดูลม ด, ด้แล้วนั่งได้ด้วยกับเดินได้ใช่ได้นะได้เพราะว่า ร, ระวังจิตถูกแล้วแต่ก่อนเนี้ต้องหยุดการนั่งไปก่อนบางคนเลยไม่เข้าใจหลวงพ่อนะค่ะแต่ก่อนหลวงพ่อบอกบางคนให้อย่าเพิ่งนั่งอย่าเพิ่งนั่งสมาธิถ้าไปโจมตีเรานะว่าสอนไม่ให้นั่งสมาธินั่งโง่อ ย, อย่างนั้นไปนั่งทำไมอะให้ได้รู้เนื้อรู้ตัวซะก่อนแล้วเข้าไปนั่งง่ายเลยแถเนี้ย ถ้าบางครั้งหนูนั่งลืมตาก็ได้บางครั้งหลับหลับตาก็ได้ใช่ไหมสมาธิไม่เกี่ยงนะอย่างนี้มันถึงจะเรียกว่าแน่จริงคสมาธิที่มาจากการเดินจงกรมเนี่ยพลังแรงคก็ทรงอยู่นานนะที่เรามานั่งในเรื่องสบายมากเลยขนาดเดินยังมีสมาธิเลยค่ะรู้สึกค่ะมันจะเด่นมากขึ้นแต่บางครั้งแล้วมันเด่นแบบมันจะเห็นหลงไปนหละลงไปหลงมากจิตมันเด่นรวงนะแล้วจิตไหลไปเรารู้เลย นั่นแหละจตจะได้ตั้งมั่นเพราะจิตตั้งมั่นแล้วขันแตกออกไปขันแยกออกไปค่ะหนูจะพยายามว่าก็เดิมค่ะเออไปทำนะค่ะอย่าพยายามมากพยายามพอดีพอดีน้ำพราคหลวงพ่อมาส่งกันบ้านทางแรกเคยฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วค่ะตอนแรกที่เริ่มมาฟังเนี่ยคือทุกข์มากเพราะว่าป่วยอด้วยโรคโรคหนึงที่แับทุกข์สุดๆจนคิดอยากจะ ฆ่าตัวตายแล้วก็พอมาได้ฟังซีดีของพ่อมันก็รู้สึกว่าจิตมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็มันก็สงบแล้วตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบโอมันมีความสุขขึ้นมาด้วยด้วยตัวเองมันใช่มันมีความสุขมากมากๆหลังจากนั้นก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆก็เคยไปกรรมาฐานเข้าคอสิเนี้ยไปเข้าคอสักก็รู้สึกว่าอืกลับออกมาแล้วอืมอย่างเงี้ยต้องทําต่ออืแต่พอทําต่อเสร็จแล้วก็มันก็แย่ลง ก็คือกลับมาป่วยอีกรอบหนึ่ง ม, มันก็เสื่อมคือเพิ่งป่วยเมื่อประมาณเดือนสองเดือนก่อนอ่ะก็ไปหาหมอแล้วก็กลับมาคือตอนนี้พอป่วยไอ้สองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยคือแบบทําไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้คือแม้แต่ซีด<ถ>ีของพ่อที่ถ้าดูใจไม่ออกนะเห็นร่างกายเลยเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายพยักหน้าอะไรนะแล้วจิตฟุง้งซ่านจิตทุรนทุายรู้ทันมันเข้าไป คือเห็นตอนที่มันป่วยนะคะคือเห็นมันดิ้นดินดิ้นว่าแบบทํายังไงมันถึงจะหายป่วยทำยังไงมันอยากป่วยเอ๊ะมันอยากหายะมันไม่อยากป่วยถ้ามันมีคําว่าอยากนะความทุกข์มันมาทันทีเลยแล้วมันก็กระแทกกระแทกตลอดคือแบบกนะแทนั้นเให้เรารู้ทันใจที่อยากหายอนะถ้าใจเราเป็นกลางนะจะหายเร็วกว่าเก่าอีกนะเพราะสุขภาพจิตดีไม่เครียดยิ่งหายเร็วอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือก็เริ่มขึ้น ตอนนั้นเนี่ยแม้แต่ซีดีหลวงพ่อยังฟังไม่ได้เลยคือแบบทิ้งไปเลยทิ้งฉันทําอะไรก็ได้ให้ฉันแบบกลับมามีความสุขก่อ น, นออไม่เป็นไรถ้าเครียดจัดก็ทิ้งไปก่อนแล้วว่าค่อยมาขอใหม่มีให้ทุกเดื อ, อนอะ่ะไม่ไม่ได้ทิ้งแผ่นซีดีไปนะค ะ, ะก็คือแบบยังเก็บไว้อยู่แต่ว่าไม่ฟังไม่สนใจเลยคือตอนนี้ก็เลยจะมาขอหลวงพ่อว่าจะทํายังไงต่อในตอนนี้ที่แบบมันเรื่อง ถึงเราทุรนทุรายนะมันก็ไม่ได้หายป่วยแต่จิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยถึงกายป่วยจิตไม่ป่วยนะบางทีกายหายเร็วขึ้นนะเงั่นรักษาจิตไว้ร่างกายให้หมอรักษาไปอันมันป่วยทางจิ ต, ตะอะค่ะหลวงพ่อฮะป่วยทางจิตไปทางจิตต้องผ่อนคลายอย่าให้เครียดถ้าฟังซีดีแล้วเครียดตอนนี้หยุดก่อนไปฟังอะไรตลกตลกก่อนก็ได้นะนี่คำถาแค่เนี้ย ขออนุญาตค่ะหลวงพ่อคะคือเวลาฝึกเนี่ยมันมีขันอยู่ขันดึงมันจะบีบเวลาฝึกเนี่ยมันจะเห็นขันอยู่ขันดึงนะคะมันจะบีบแบบกับแทกับเจ็บค่ะแต่ว่าเวลามันยากกว่าเป็นขันแล้วมันจะเป็นเหมือนกับว่าสภาวะเท่านั้นใช่เป็นแต่สภาวะเท่านั้นนะะนั่งแล้วเป็นเหรอคือเวลาจิตตั้งมั่น คือมันจะเป็นแค่คือบางช่วงแต่เป็นบ่อยค่ะหลวงพ่อแล้วคราวนี้ยก็เลยสงสัยว่าทําผิดหรือเปล่าทําอะไรอะ่ะหมายถึงว่าปฏิบัติผิดหรือเปล่าคือคือเวลานั่งสมาธิเนี่ยคือตอนเนี้ไม่เป็นอะคะ่ะคือคือเวลาแยกออกมาเป็นขันเนี่ยมันจะแยกออกมามีกายนะคะแล้วคราวนี้ยมันจะมี เวทนาข้างในเหลือหรืออะไรไม่ทราบซึ่งมันจะบีบเหมือนกับบีบกระแคกม้วนตัวอย่าไปจงใจแรงอย่าไปจงใจแรงเออนะดูเล่นๆดูสบายๆมันจะไม่บีบฟันค่ะอย่างนี้เราภาวนาแล้วเราเครียดเกินไปเอาไปบีบไปเค้นจิตที่มานะค่ะทําให้สบายดูไปสบายแต่มันเป็นเองก็ไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอครับเออค่ะเไปแล้วจะภาวนาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสิ นั่ะหลวงพ่อคือปกติวิหารและทําอยู่ที่ลมหายใจแล้วมันหนูหนูต้องทําใจสบายๆนะรู้สึกร่างกายให้มากขึ้นรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนดูกายให้เยอะๆขึ้นนะเพราะถ้าดูจิตเนี่ยจะถลําไปอยู่ถลําไปกับจิตนะนจะไปบีบไปเค้นแล้วโมโหโทโสกับจิตเท่าไปอีกนะนั้นเห็นร่างกายร่างกายไปยักหน้าอะไรเนี่ยไปรู้สึกหยุดที่กายให้มากขึ้น แม่งั้น<ช>ไปบีบไปเคสจิตมากคล้ายๆว่าจะเอาให้ได้อ่ะนิะนสัยแบบรุนแรงอะนะใช่เปล่าใช่ใช่ค่ะนเกี่ยวไปเล่นอย่ารงรุนแรงดูกายไปะดูไปสบายๆเหตุร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราดูสบายๆหนูอย่าทิ้งคําว่าสบายนะหนูไปทิ้งคําว่าสบายหนูจะทิ้งหนูจะไปเอาคําว่าจะจับให้มั่นคันให้ตาย<ช> ถ้าภาวนาแล้วจะเอาให้ได้นะเครียดเครียดแล้วยิ่งไปเค้นมากมากนะช้ํำในไปเลยบางทีใช้พลังจิตของตัวเองกระแทกตัวเองก็มีนะน่วมไปเลยอ อ, อ ก, า ก, กามรนริมิสารหลวงพ่อครับก็ส่งการบ้านประมาณเมื่อสามเดือนที่แล้วครับก็ปกติที่ปฏิบัติก็มีสวดมนต์สวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นหลังสวดมนต์ก็ขยับมือประมาณสิบห้านาทีครับก็ ที่ที่ผ่านมาประมาณสองสามอาทิตย์มันรู้สึกเจอคล้ายๆแบบอยากดีอยากเร่งมากเกินไปรู้สึกมันเป็นพาระก็เลยคิดในใจว่าเ อ, อจะปฏิบัติตามตามแผ ru, นก็คือสวดมนต์ทำสมาธิไปแล้วก็ y, อย่างอื่นก็ไม่ต้องไปคิดเร่งคิดอะไรมากไม่ทราบว่าถูกอย่าไปอยากนะยิ่งเร่งจะเร่งมันเ่ะจะเร่งให้เร็วเหรอ ร, รู้สึกว่ามันแบบ พยายามคนา้นคว้าค้นหาพยายา ม, มเาานี่ยนะฟุ้งซ่านนะเราแค่ทําสมาธิทํำในจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นแล้วก็นั่งดูกายดูใจแล้วเราไปดูเขาแสดงไปไม่ต้องค้นคว้าเยอะนะเดี๋ยวปัญญาลําหน้าของคุณไม่ต้องกลัวโง่หรอกจิตมันไม่โง่หรอกแล้วก็ที่ผ่านมารู้สึกว่าปฏิบัติไปแล้วเห็นรู้สึกว่าเวลามีทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยจิตมันคอยจะหนีทุกข์มันคอยจะแบบจะทําอะไรก็ได้ให้มันหนีทุกข์ ก็ก็เห็นตัวนี้ขึ้นมาบ้างดีนะให้รู้ท<อ>ันขอหลวงพ่อช่วยแนะนําทางไปตรง <ปฏ S 2> ที่ทจิตจะหนีทุกข์นะี่คือจิตมันไม่เป็นกลางให้รู้ทันใช่หลักที่หลวงพ่อสอนนะ่นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่มีการไปบีบไปเข็นกายเข็นใจไม่มีหรอกรู้อย่างที่มันเป็นไปแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่เป็นกลางนั้นคุณเห็นแล้วว่าจิตไม่เป็นกลางอันนี้ก็ดีนะแสดงว่าเริ่มพัฒนาแล้วขอบคุณครับ กลางนมัสการหลวงพ่อค่ะคือดิฉันได้ปฏิบัติตั้งแต่อายุสิบ้าจนปัจจุบันนี้ก็คืออายุจะสามสิบแล้วเมื่อนั่งสมาธิก็จะเห็นภาพผู้ชายใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวแล้วใบหน้าของเขาก็เป็นเหมือนคนเราปกติแต่ก็เมื่อเพ่งไปเรื่อยๆเมื่ออ่าจเจริญภาวนาไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามีเลือดมีน้ำหนองอทั่งแม้กระดูก หนูผ่านตรงนี้ไม่ได้สักที <นะ S 2> เพราเป็นความกลัวมากแผ่เมตตาไป แ, แ, แผ่ส่วนบุญไปนะแผ่ไปได้ไม่ต้องนั่งก็นั่งแผ่ไปก็ได้ก็จะหายใช่ไหมคะหายไม่หายอยู่ที่เขาพอใจแค่ไหน <c oughs> มีน้าหลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยทำงานกระทหารแล้วมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นจ่าสิบเอกผู้หญิงแกเล่าให้ฟังว่าตอนแกเด็กๆอะ ไปที่วัดแห่งหนึ่งวัดวัดนี้ดังมากนะอยู่สุพรรณไปทอดผ้าป่าทอดกระถินอะไรอย่างนี้แหละตามผู้ใหญ่ไปเสร็จแล้วผีเข้าแก่ผีมาเข้าแล้วก็บอกจะเอาให้ตายเลยฆ่าให้ตายพระก็มาถามว่าทำไมจะต้องไปฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรให้บอกสมัยชาติก่อนเนี้ยผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีไอ้ผีตัวนี้เป็นทาส ไปแอบดูลูกสาวเจ้าในาอาบน้ำนายเลยจับล่ามโซ่นะเคียดจนตายเลยแล้วมาฝังอยู่ใต้ต้นพิกุลที่วัดนี้แหละรอมานานแล้วเดี๋ยวคิดบัญชีวันนี้มาถึงวัดนะจัดการเลยเขาก็ไปขุดดูนะเจอกระดูกที่มีโซ่พันอยู่จริงๆพระก็พยายามต่อรองพระนั้นท่านก็ระดับครูบาอาจารย์เหมือนกันนะ พยายามต่อรองบอกว่าจะให้ทําบุญให้อะไรให้ผีก็ตกลงแต่ว่าต้องเอาเลือดเนี่ยมาสังเวยผีก่อนคดีมีหมออยู่ด้วยก็เจาะเอาเลือดไปหยดที่กระดูกมันนะผีมันก็ออกแล้วก็ต้องทําบุญบอกต้องทําบุญให้ผีเนี่ยวันพระ ต, ต้องใส่บาทรทีหนึ่งวันพระที่ไรนะมันจะมาอารวาสหลอกให้กลัวนะแบบไม่ให้มีความสุขเลยคนนี้กลัวมาก รู้สึกว่าทําบุญวันพระเนี่ยน้อยไปกระทำทุกวันในบาททุกวันนะผีมันก็มาหลอกอยู่หลายปีนะวันหนึ่งมันพอใจมันก็มาเป็นหน้าตาสดใสมาบอกว่ามันสบายล้มันอาโหสิ ก, กรรมแล้วคือมันมันยกโทษให้ไม่ใช่โหสิ ก, กรรมแต่อันนี้มันกลายเป็นอาโหสิ ก, กรรมแล้วเพราะกรรมให้ผลเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็สบายชอบทําบุญนะยังยังน่าจะยังอยู่คุณทอเรียงพิบูลไปสัมภาษณ์มาเขียนได้แล้วเนี้ย เคยทำงานกับแกวันๆนั้นคิดแต่เรื่องจะทำบุญทอดพระป่านนนี้ทั้งวันหนูก็ทำไปนะแผ่เมตตาไปแผ่ส่วนบุญไปค่ะการค่ะเดี๋ยวมันก็ไปมันก็ไม่เชี่ยงมันไม่ไปเราก็ไปกัรมรสการครับผมขอผู้ชาหลวงพ่อด้วยธรรมที่ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อกุณ า, า, ส, าสอนเลย่ะเถอะ ผมเมื่อคราวที่แล้วผมเห็นจิตมันเกิดดับอยู่แต่ถึงช่วงนี้มันมันเหมือนเป็นคลื่นลูกเดียวกันนะครับมันมาแล้วมันก็หายไปทั้ทงธรรมแล้วก็ทั้งกิเลสด้วยใช่ครับผมนะขุศสเกิดแล้วก็ดับขูส่สนเกิดแล้วก็ดับนะสังขารทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเวทนาเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดแล้วก็ดับเนีย่ยเข้าดูไปด้วยอยากอยากจะรู้ว่า เ, เราไม่ต้องรู้ว่ามันเป็นธรรมอะไรเพียงแต่ไม่ต้องไม่ต้อง ครับผมนะเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วสิ่งนั้นดับไม่ต้องรู้ชื่อแค่นั้นพอแค่นี้นพ อ, ค อ, อแค่นั้นพอนะหลวงพ่อพูดเคยสอนหลวงพ่อนะท่านบอกว่าคุณไปดูสิในธรรมจักนะท่านจะสอนเวลาบรรลุธรรมนะท่านจะบอกว่ายังกินจีสมูทยายธรร ม, มังสะพันตังนิโรธธรรมมนติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลดับเป็นธรรมดาท่านบอกว่าสังเกตไหมท่านใช้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซั m e t h i n สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกถ้ายัางรู้ว่าคืออะไรเนี่ยสัญญาทํางานไปเรียบร้อยแล้วนะถ้าเห็นแต่สภาวะของสังขารที่ปรุงแท้ๆนะไม่รู้ว่าคืออะไรนะไหวๆขึ้นมาเราก็ดับไหวๆขึ้นมาเราก็ดับนั่นแหละภาวนาดีกรรมัตการครับนะภาวนาแล้วจะเหลืออยู่แค่นั้นแหละยิบยับยิบยับนะกมัตการเจ้าค่ะแต่เวลา<อ>รู้มันนะอย่าถล่มลงไปรู้นะดูสบายๆดูห่างๆกระโจนลงไปดูมัน นรัสการเจ้าค่ะฟังซีดีหลวงพ่อตั้งแต่ปลายปีห้าศูนย์เจ้าค่ะแล้วก็มีมีบางคนเขาพูดว่าหลวงพ่อให้ทําไม่ดีฉันเอติดตกไปแบบไม่เชื่อเขาแต่ว่าจิตตกค่ะจิตไม่มีตกนะจิตมีแต่เกิดแล้วก็ดับคงแต่จิตที่กูเป็นกูสนแล้นมันเกิดแล้วมันดับไปสาธุเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอขอเข้ามาหลวงพ่อเข้ามานะ อาหารขบมามิส า, าธุเจ้าค่ะอาหารขบมามิเรายกโทษให้ค่ะขอถูกนะไม่ใช่ขออโหสิกรรมแขอขบมาค่ะท่า น, นี้มีเรื่องอยากจะขอโอกาสค่ะคือเวลานั่งสมาธิตอนเช้าอะค่ะพอพอนั่งหลับตาปุ๊บมันก็จะฟุงงนนฟ้งไปทางโน้นฟุ้งไปทางนี้ก็เรียกกลับมาดูลมหายใจแล้วลมหายใจมันก็จะห ย, ยาบหยาบมันก็ฟุ้งไปอีก จนถึงเวลาที่เราเราเราได้ขออธิฐานไว้ว่าจะนั่งประมาณห้าถึงสิบนาทีพองเนี้ยค่ะมันก็เหมือนกับมันมันขยับอีกขึ้นมาอีกข้างบนนึงแล้วมันก็อ่ารู้แล้วว่ามันต้องออกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากรู้ว่าคือภาวนาน ะ, ะอย่าอยากสงบค่ะภาวนาสบายๆไปหายใจไปรู้สึกตัวไปคทาสม่ําเสมออย่าอยากสงบอยากสงบจะไม่สงบเลยนะถ้รู้เล่นๆรู้อย่างมีความสุข อย่างนี้ควรจะยังนั่งต่อใช่ไหมนั่งสีนั่งรู้มันมันฟุ้งก็ช่างมันก็รู้ก็ชงแล้วก็กลับมาดูลมหายใจที่หยาบที่อะไรก็คืออย่างนี้อย่าไปนั่งเพื่อให้มันสงบเจ้าค่ะนะนั่งรู้ทันเหมันเท่านั้นแหละนั่งไปหายใจไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าจิตสงบอย่างนี้เรียกว่านั่งเป็นค่ะถ้านั่งแล้วจะไปคิดให้สงบไม่สงบหรอกถ้านั่งแล้วสบายใจแป๊บเดียวก็สงบแล้วเราเวลาพอดีแบบ เพิ่งเพิ่งมีเหตุการณ์อะค่ะคือได้ไปเจอคนท่านหนึ่งที่แบบเป็นแบบปลื้มมากๆแล้วคฮะนี้ก็มองมองเขาแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็เรารู้สึกตัวว่าเราก็ยิ้มแล้วเราก็รู้สึกตัวว่าเราทําตัวยังไงอยู่ยืนยังไงอยู่อย่างนี้เรียกว่ารู้สึกตัวไหมคะหรือว่าล<ร>มปีตินะเยอะอย่าไเอานะอย่าให้มันครอบจิตได้ปีติอะยให้ครอบจิตอารมณ์ทั้งหลายอย่าให้มันครอบจิตได้นะจะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือที่เลว ก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปถ้าถูกมันครอบก็เสียอิสรภาพไม่ดีข้างนั้นแหละเพราะฉนั้นจิกระทั่งเห็นครูบาอาจารย์นะบางคนไปเห็นครูบาอาจารย์นะ <c oughs> อย่างเนี้ยมาเห็นหลวงพ่อก็ทนไม่ได้เลย <c oughs> มันไม่มีสติเลยนะะม <c oughs> ันถูกกิเลสถูกความปราบปลืม้มไม่ใช่กิเลสหรอกปีติครอบงําจิตมากไปต้องเป็นตัวของตัวเองนะ <c oughs> อย่าฝึกให้เข้มแข็งไว้ ขอบคุณเจ้าค่ะแล้วอย่างเมื่อสักครู่ค่ะตอนไม่อยู่ที่พี่เสื้อสีชมพูค่ะใจหนูมันก็ตื่นเต้นแบบรู้สึกว่าข้างในมันเต้นแรงมากๆแล้วก็พอมาอยู่ประมาณเนี้ยมันก็ไม่ได้เต้นแล้วอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ารู้สึกตัวใช่เรียกว่าเรารูแล้วเราคุมคุมเราอยู่เราไม่คุมนะไม่เรียกว่าคุมหรอกเราไม่ได้บังคับมันหรอกมันตื่นเต้นก็รู้ว่าตื่นเต้นมันหายก็รู้ว่าหายค่ะดูไปเรื่อยอย่าไปบังคับมันนค่ะบังคับแล้วจะแน่น อ๋อใช่เจ้าค่ะค่ะที่ที่ปฏิบัติมาถูกถูกแล้วใช่ไหมเจ้ า, าปฏิบัติมาถูกแล้วไม่ปฏิบัติแล้วผ<อ>ิดแน่ขอขอบคุณเจ้าค่ะมรดการของหลวงพ่ออืาส่งการบ้านหลวงพ่อมาตั้งแต่มาได้ประมาณปีเจ็ดเดือนนะครับที่สวดสมาธิธรรมหลวงพ่อให้ไปดูไปอแยกกายแยกจิตมาแยกผู้รู้มาครับอืก็กลับไปทําก็ มีอยู่ช่วงหนึ่งครับขี่โมเตอร์ไซค์กลับจากที่ทํางานครับก็รู้สึกว่าแขนแขนไม่มีครับอือ่าอใช้ตาชําเรืองดูแขนก็ยังมีอยู่ครับอืมแต่ว่าทีนี้มันมันมีความสุขว่ามันไม่มีครับก็นานพอนสมควรก็ได้ได้ได้คําำข อ, อเตือนว่าอย่าทำอย่าพัฒนาตอนขับรถเดี๋ยวจิ้วจิ้วไปเใช่ใชก็ก็เลยพยายามสลัด<ม>อันนั่นแหละจิตไม่มีสมาธิขึ้นมานะจิตมีสมาธิถ้าจิตรวมไปแล้วมองถนนไม่เห็นเล แล้วนานพอสมควรครับประมาณสักสองรอยเมตรถึงถึงอันนั้นหมายถึงแขนหายไปเลยใช่ไหมอันนั้นเป็นสมาธินะจากช่วงช่วงไหลไปถึงเนี<ม>่ยเป็นสมาธิแต่ถ้าแยกขันที่หลวงพ่อบอกอะคือกําลังมีทั้งตัวอยู่เนี่ยแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรานะมันทัร์ละอันกันความคุณก็ทําเป็นอยู่แล้วเราอีกวันหนึ่งต่อมาครับนั่งนั่งทําในรูปแบบตอนเชา้าครับเจ็บที่ข้อเท้าครับแล้วก็ใช้นึกถึงคำหลวงพ่อที่บอกว่า เจ็บที่กายกับสับกับสับกระสายที่จิตครับออืทบชนย้อนไปย้อนมาสามรอืบเห็นว่าความเจ็บน้ำลอยอยู่ข้างนอกตัวใช่ใช่แต่ว่าความเจ็บก็ยังเจ็บมากๆครับแต่มันมันมันไม่อยู่ในตัวครับใช่มันคนละอันกับร่างกายออืนะความเจ็บร่างกายก็ขันหนึ่งนะความเจ็บก็ขันหนึ่งจิตก็ขันหนึ่งความกระสับกระสายของจิตก็อีกขันหนึ่งนะมันแยกกันหมดนะแล้วปฏิจจันนี้ก็คลุ้งซ่านมากครับแบบ เห็นความชอบเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เห็นอะไรนะความชอบครับชอบเรารู้ทันนะครั บ, รบแล้วก็แบบสู้แบบหลังชนฟา้าครับตอนนี้ก็พราวนาไปด้วยก็พยายามรู้ไปเรื่อยๆเลยรเรารักษาศีลไว้นะยังไงก็ไม่ผิดศีลแล้วก็จิตใจของเราตั้งมั่นจิตของคุณอนะ่ะมันตั้งมั่นอยู่แล้วล่ะขันมันแยกได้จิตมันก็ตั้งมั่นอยู่นะก็รักษาศีลห้าไว้แล้วจเจริญปัญญาดูมันทํางานดูกายทางานดูใจทํางานไปด้วยเห็นแต่ไตรลักษ เห็นหมมันใจรักทั้งนั้นนะหเห็นจนจิตมันพอใช้ได้นะพานะนาดีแล้วถ้าจะเพิ่มไปปรุงอาสุภาษต่อได้ไหมครับช่วงที่เราชอบแล้วก็ดึงมาปรุง ไ, ได้อาสุภานั้นเป็นสมถะนะถ้าเราอย่างจิตมันมีราคาไปเห็นสาวมันสวยนะใจมันชอบรู้ว่าชอบแล้วมันดับนี่จเจริญปัญญาไปอย่างนี้มีสติรู้ท่า น, นี้ก็ใช้ได้แต่ถ้ามันไม่ไหว พิจนาอาสุภะทาเอาสมถะามาช่วยเลยใช้ได้ขอบคุณมากพนาดีนมัธ ก, การค่ะคือตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่ในรูปแบบนะคะโยมเดินเหมือนเดินเดินเล่นเดินจงกรมอยู่ตรงหน้าทิ่พระแล้วก็ภาวนาไปด้วยเสระวเวลาที่ จิตมันนึกอยากจะรู้อะไรก็ปล่อยมันรู้ไปอะไรนะคล้ายๆกับบางทีมันจะรู้สภาวะธรรมบางอย่างที่มันโหดขึ้นมาเนี้ยก็ปล่อยมันรู้ไปจะรู้อะไรก็ปล่อยมันแตตอนที่มันฟุ้งไปไม่รู้เรื่องพอรู้ตัวว่าฟุ้งเนี้ยอืก็น้อมกลับเข้ามาดูน้อมกลับคือแบบพยายามนึกว่าให้มาดูกายเดินไว้แล้วพอเดินเดินไปสักพักเดี๋ยวมันก็หลงอีกอแล้วบางทีมันก็จะไปรู้เรื่องอื่นได้เองอย่างเงี้ยแล้วพอรู้ถ้าเกิดมันรู้ก็ปล่อยมันรู้ไปพอมันหยุดรู้แล้วรู้ตัวว่าหลงก็กลับมาดูกายอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ถูกะโดยอย่างนนั้ ค่ะแต่เวลาที่ไม่ใช่ปฏิบัติในรูปแบบที่บ้านเวลาขับรถเนี่ยมันจะไม่ได้ดูการจะดูอย่างตอนที่ขับรถไปเนี่ยชอบสวดมนต์หรือไม่อีกทีก็เปิดซีดีธรรมะเนี่ยเวลาสวดมนต์หรือเปิดซีดีธรรมะพอจิตแวบออกไปก็รู้ว่าแวะออกไปกลับเข้ามาก็รู้ว่ากลับเข้ามาตแต่ว่าต้อเห็นถนนนะแต่เห็นหน้นอย่างออนะีแต่แพอไม่ใช่สักแต่ว่าเห็นด้วยนะค่ะเห็นไฟแดงก็ต้องรู้ว่าแปลว่าอะไรนะถ้าเห็นแล้วสับไว้แย่ แต่พอตอนที่เคยเคยถามคําถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้ใช้กายเป็นวิหารธรรมเนี่ยพบว่าถ้าเกิดขับรถแล้วใช้กายเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่า ม, มันจะกลายเป็นเห็นสักว่าเห็นยังไงไม่รู้อ่ะก็เลยกลับมาคิดว่าถ้าเกิดตอนตัวเองขับรถเนี่ยก็ใช้ใดูขับรถนะรู้สึกตัวไว้ใจลอยไปแล้วรู้ทันกลับมารู้สึกตัวไว้ค่นะะนเวลานั้นทํางานที่อันตรายค่ะนะเดังนั้นต้องจดจ่ออยู่กับงานที่เราทําค่ำนะ ก็ตอนนี้ตัวเองรู้สึกว่าเข้าใจว่าคาว่าวิหารธรรมมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าเลยจะออจะรีบว่าวิหารธรรมถ้าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะถ้าอยู่แล้วแน่นแนะ่นอะไม่ใช่วิหารธรรมคือตอนนี้ตัวเองเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดใจมันไปทําอะไรก็ปล่อยมันไปถ้าเกิดรู้ก็คือให้ให้รู้สิ่งที่มันรู้ณตอนนั้นแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีธุระอะไรก็พยายา ม, ม้อมกลับมาอยู่ที่บ้านอย่างนี้ใช่โอเคให้มันมีบ้านอยู่นะ แล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวเองรู้ได้บ้างแต่เหมือนมันไม่ค่อยเดินบรญยาเหมือนมันมรู้จิตไม่หล่อจิตมันฟุ้งเยอะคะนะเพราะฉั้นต้องจัดการเรื่องความฟุ้งซ่านของจิตเสซะก่อนะนะพุทโธไปอะไรไปนะแต่อย่าไปทําตอนขับรถนะค่ะเอทําสมาธิให้เยอะขึ้นอย่างตอนที่ทําสมาธิเนี่ยโยมเดินเดินแล้วดูกายเดินพร้อมๆไปกับการภาวนาเนี่ยถูกไหมคะได้ขอพระคุณค่ะหมดแล้วครับอา่า เด น, น้าหลวงพ่อไม่มามีอะไรฝากทาการบ้านเลยไหมครับมีสติรู้กายรู้ใจตาเปว่ า, วาเป็นจริง <c oughs> ด้วยจิตตั้งมั่นแลวเป็นกลางสาธุต้องทำนะกว่าหลวงพ่อจะได้ไประโยชน์นี้ออกมาเนะี่ยนานนะกว่าจะสรุปออกมาได้ขนาด น, นั้นภาวนาล้มลุกลุกลานมานานมากเลยไปเสียเวลาอยู่กับการทำสมาธิยี่สิบสองปีในขั้นเจริญปัญญานะั้นก็ใช้เวลามากเลยก็พยายาม จิตมันชอบค้นคว้ามากเรียนรู้มากครให้คุณน่ะนั่นแหละมันจะค้นคว้ามากนะแต่ค้นคว้ามากเสียเวลาเยอะแต่จากการที่ศึกษาค้นคว้ามาเยอะนะสรุปออกกันแล้วเหลือนิดเดียวเท่นั้นนะให้เรามีสติรู้ไปรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือไม่แทรกแสงด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่น จิตตั้งมั่นก ham, เ็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่จิตผู้คิดมูนะ้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่จิตผู้เพ่งเป็นกลางเป็นกลางหมายถึงว่ามันเป็นยังไงก็แค่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น mm hmm hmm ถ้ามันหลงยินดีหลงยินร้ายขึ้นมาแสดงว่าไม่เป็นกลางให้รู้ทั น, น mm hmm hmm จิตจะเป็นกลางขึ้นมาเพราะสติก่อนต่อไปค่อยเป็นกลางเพราะปัญญาถ้าเป็นกลางเพราะปัญญาได้เ ม, มื่อไหร่นะมันเห็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเนี่เท่าเทียมกัน ขาะนั้นไม่ว่าสภาวะใดเกิดขึ้นนะความปรุงแต่งจะไม่เกิดขึ้นต่อสภาวะความปรุงแต่งเท่าไหร่เกิดขึ้นมาแล้วจบลงที่รู้นั่นเองไม่ปรุงต่อนะนั่นประตูของอริยมรรคอยู่ตรงนั้นเองไม่ยากเกินไปที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้นะทาเท่านั้นแหละให้กันบ้านยากไปไหม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 ยถาวริวาฮาปุราปริภุเรนตีสาครังเอวาเมวายโตทินัางเปตานังอุปกระปติอิชิตังปจิตังทุมหังจิปะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตูสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโพวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกภวะ อาภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจ ต, ตารโรธรรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลังภาวนานะอีกสองเดือนเจอกัน